เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริศัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาในห้อง Zoom ได้ถ้าต้องการฟังเฉยๆก็ฟังอยู่ที่ข้างนอกนอนอยู่ในไลฟ์ Facebook หรือ Youtube ก็ได้ถ้าไม่ต้องการให้ยันถามตอบคำถามคืนนี้ก็จะให้ท่านแรกเข้ามาก่อนก็คือคุณหมอวิรพันธ์อันนี้เด็กของน้องเนี่ยสี่ทุ่มอาจารย์นักการครับผมจะสี่ทุ่มแล้วครับสี่ทุ่มพอดีเอาสีทุ่มพอม ด, ดีครับอาจารย์เป็นยังไงเรียบร้อยดีรับเงินดี น้ำพี่ดีครับพอดีว่าลูกสาวปิดเทอมพร้อมกันครับรสามสองคนไปท<ำ>ําหน้าที่ทําหน้าที่ไปงา <c oughs> นบ้าเป็ น, นหัวหน้าครอบครัวต้องทำสองหน้าที่หน้าที่ของพวกเป็นหน้าหน้าที่ของตัวเราอก็ดูแลเขาไปตามอัตลักษณ์เขายังต้องมีความสุขทางทางนี้อยู่ก็ต้องสานสายเขาไป ส่วนเราเราก็สรรหาความสุขของเราตามสภาพของเราไปแต่ก็ความรู้ที่เคยมาหมดแล้วครับแต่ลูกๆเขาชอบครับอ mm hmm. ันนี้อยู่ที่ทันไซครับอาจารย์ใช่มันเป็นธรรมชาติของิจยที่ยัางหิวโหยก็รูส้สงกเห็นก่นได้แลมวอยากเห็นดวงแปกแปดในสัมผัสก็รูส้สงกินกันที่แปดจากตามปกติ ปกติรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้สัมผัสมันก็ชินชามันก็ไม่มีความสุขแต่คนญี่ปุ่นได้เข้ามาเมืองไทยเขาก็เข่าดีใจเขาก็สุขมันจ่ายเขาก็อยากจะได้ของแปลกๆแต่มันเป็นเรื่องของของความอยากได้ของใหม่ของแปลกของใหม่ความจริงแล้วที่มันเหมือนกันทุกแห่งที่บ้านเขาก็เห็นของทุกวันเขาก็จำเจเขาก็เบื่อ เอามาบ้านเราเห็นของแปลกใหม่เขาก็ตื่นตาตื่นใจไปอยนะ่างสักพักก็เบื่อเนี่ยความสุขทางโลกมันแค่นี้มันอิ่มตัวเร็วเนี่ยมันก็เบื่อเนี่ยมันก็ต้หารูปแบบใหม่มามาเสรใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็สู้ความสุขทางใจไม่ได้ความสุขที่มาจากความสงบ อันนี้มันไม่มีวันเบื่อไม่มีวันหายมันไห้แต่ความอิ่มหนำสําราญใจตลอดเวลาครับกาไม่เป็นไรก็ทําหน้าที่ไปมีอะไรไหมมีคําถามอะไรไหมไม่มีอะไรครับก็เดินอยู่ที่นี่ก็ยังพุดโทรอยู่ตลอดครับอาจารย์ครับโอเคมาถามอาจารย์อยากจะแจ้งข่าวเรื่องวันจันทร์ทุกวันไม่เท่า อ, อ๋อได้ครับอาจารย์เบื่อมี ครับคุณหมอแจ้งก็ได้ครับก็พึงเอิ้ว่าวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ผมอย่าเดินทางน่าจะน่าจะเวลาใกล้เคียงกับถึงบ้านเลยครับเพื่อควมามปลอดภัยเพื่อาในการขับรถก็เลยขออนุญาต อ, อ, อาจารย์ว่าคืนวันอาทิตย์วิสัชนาธรรมนะครับขอเ อ, อย้ายไปเป็นคืนวันจันท ร, ร์ตอนสองทุ่มครับก็เคลื่อนเคลื่อน จะเป็นวันที่สิบเอดแทนที่จะเป็นวันที่สิบเป็นจากวันที่เก้าเป็นวันที่สิบเก้าเป็นวันที่สิบครับผมสองตู้เหมือนเดิมครับวันนั้นตรงวันสิบผมด้วยครับได้เข้ามาขอความพระอาจารย์นะครับสิบดุลาครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากจังครับสำหรับท่านที่ติดตามจะได้ทราบว่ามีการเลื่อนไปแต่คุณหมาเขาจะเขาจะแจ้งไว้ในในเพจอีกทีอะไรใช่ไหมให้ครับอาจารย์ครับ เดี๋ยววันวันเช้าเช้าวันอาทิตย์ก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับต้อไปบ่ายแต่อีกสักครั้งหนึ่งจะได้สู่ครับโอเคครับ okay. ทา่านอาจารย์ไม่มีอะไรน ะ, ะ, ระนครับะอาจารย์ครับดีใจที่อยู่ญี่ปุ่นยังได้เจอพระอาจารย์ครับอันนี้โลกมันกลมอยู่ที่ไหนก็เจอกันได้ทุกแห่งทุกมุมไปที่คุณหอพี่เชิดคุณหมอกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับ วันนี้มากาปรียนพระอาจารย์เรื่องเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดที่ขาเวลานั่งสมาธิครับเวลาที่โยมฝึกนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ดีแล้วก็เข้าได้ลึกเวลาอยู่ในสมาธิได้นานอาการเจ็บปวดที่ขาเขาไม่มารบกวนเลครับสักแต่ว่ารู้เฉยๆแต่ถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วจิตรวมได้ยากตรงนี้ก็เดี๋ไม่เข้าในสมาธิเนี่ยตรงนี้พอผ่านไปสักระยะหนึ่งสักยี่สนาทีสามสินาทีก็จะเริกมีอาการ ปวดที่ขาแล้วก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นจนทนแทบทนไม่ไหวแต่ก็ได้ภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็เหมือนจะผ่านไปได้ครับอาจารย์แต่ว่าก็ผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆแต่ว่าความเจ็บปวดก็ยังมีอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักก็วนกลับมาใหม่ครับมาปวดมากขึ้นอีกก็จะวนอย่างนี้อยู่หลายรอบครับจึงมากราบเรียนพระอาจารย์แล้วขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับคือถ้าเราใช้หลักของสตินั้ก็จะ นังรับความทรมานของใจได้เป็นพักๆเวลาใจสงบเมื่อใจเป็นอุเบกขาจากสติจากทำบริกรรมพุโทโธมันก็อาการทรมานต่อความเจ็บปวดมันก็จะน้อยหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรคือทุกครั้งที่เราเจอความเจ็บปวดเราก็จะเฉยได้ เราต้องอาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาให้ยอมให้เห็นว่าเวทนาความเจ็บปวดทางร่างกายนี้มันเป็นของที่มันเป็นของที่ต้องเจอมันเพราะมันมันเป็นมาต่อล่างกายไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าพระลานี่ก็เจอกันทุกคนร่างกาย ท, ท, ทุกคนเหมือนกันแต่ใจของท่านไม่หวั่นไหวใจของท่านไม่กังวลไม่เดือดร้อน พรท่านยอมรับความเป็นจริงว่าต้องพัดต้องอยู่กับมันแทนที่จะไปลังเกียจมันต้องพลิกใจให้กลับไปยินดียินดีต้านรับอย่าไปยินดีลังเกียจอย่าไปลังเกียจไม่ต้านรับไม่ต้อนรับมันก็เลยทําให้เราต่อต้านพอต่อต้านมันมัก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเทรมานใจขึ้นมาอต่ถ้าเราไม่ต่อต้านเขาเรายินดีต้อนรับเขามาก็มา มันก็ต้อนรับมิตรพระเจ้มิตรคนที่เราชอบพอเจ้าก็ดีใจอยู่แล้วก็นมีความสุขขึ้นมาเราก็รับต้อนรับเวทนาว่ามันก็เป็นแบบนอนมันเป็นเงาเงาตามตัวร่างกายที่มันจะต้องมาอยู่เรื่อยๆเราต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ถ้าหัดแบบสติมันก็มันก็ได้เป็นพักๆไปเวลามีสติมันก็ไม่เสถีนใจนะครับ ไม่มีสติมันกาความอยากให้เวทนามันหายไปมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เกิดอาการทรมานเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมานําใจอันนี้ถ้าเราผ่านขั้นสติได้แล้วขั้นต่อไปก็สอนใจว่าร ล, ลองยินดีต้านรับมันสิอย่าไปรับเกียวมันแล้วมันมาอ็อยู่ อยู่นะไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นานๆอยู่ ด, ด้วยกันนาคนๆโดยการทําใจใช้เเพงดูเขาก็ได้เพ่งดูเขาเปรียบเทียบพิจารณาว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับความเจ็บเหมือนกับไฟที่กําลังเผาหน้าง่ายหยุดตรงจุดที่มันเก็บ <c oughs> แล้วก็เพ่งดูไปเรื่อยๆเหมือนกัว่าไฟนี้มัน ต่อไปนร่างกายเวลาเป็นตาน่่งแล้วก็ถูกไฟเผาถ้าเราเอาสมมุติเอาไฟเอาเวทนาในสมมุติเป็นไฟจินตนาการภาพเป็นไฟค่อยๆค่อยๆลกแล้วก็กระจายไปจากจุดที่มันเจ็บไปไปทั่วร่างกายจนในที่สุดร่างกายก็กจะการแต่ที่เท่าเลยแล้วความร่างกายมันี้เท่า ร่างกายที่นั่งอยู่มันจะฟุ้งไปกับเด็กแล้วถ่าถ้าจิตเป็นลมตอนนั้นจิตมันก็จะรู้สึกแยกออกจากกายรือสภาว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของของพื้นที่เรนั่งอยู่พื้นเตียงพื้อะไรแล้วพื้นเตียง ม, มันก็ไปติดอยู่กับพื้นเด็กอีกทีหนึ่งดังนันเรารู้ว่าับมันเป็นส่วนหนึ่งของเตดยกไป อันนี้ถ้าอยู่ใช้ใช้อยาฮ ะ, ะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับเวทนาของเราเอามันมาใช้เป็นเหมือนกับไฟเผาร่างกายอยู่ล้วจินตนาการถึงภาพของไฟค่อยๆลุกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั่วร่างกายแล้วเผาไปนะครับร่างกายากายไปที่เท่าเอากายที่เท่าร่างกายที่นั่งอยู่มันก็พุ่ลงไป กองเป็นกองอยู่มบนกองดินกองที่นำ้ำที่น้ำมันเหมือ น, นถูกดูดไปแล้วลักษณะมันถูกดินที่ที่เป็นเพื่อนดินนี้ดูดร่างกายนี้ไปให้เป็นส่วนเดียวกันแล้วอันนี้อยากจะลองทำดูอย่างนี้ก็ได้น้องมันปฏิบัติาาับอาจารย์คือทําให้เราหัดใช้เมต ห, ห, หา ห, หาประโยชนจากการมีเมตนา มีค่าเจ็บปวดแทนที่จะปัดมันทิ้งมันเราแันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีว่เอาใช้มันเป็นเหมือนยกเป็นตัวแทนไฟที่จะเผาร่างกายนะเวลาคนตายเขาก็เอาไฟมาเผาใช่ไหมเผาจนกระทั่งร่างแต่เป็นขี้เถ้าไปเนี่ยใส่กระดูกไปเราก็ลองเอาใช้โอกาสนี้มันเป็นการเป็นการ สามฝึกสามสานใจมาเนี้ยร่างกายต่อไปก็เจะถูกไฟเผาแบบนี้เพื่อใหร่างเพื่อให้ใจมันมีงานทํามันจะได้ไม่ไปรังเกียจให้มันจะเอาแรงเอาเนื้อที่งานนี้มาใช้งานมาใช้ประโยชน์มันก็เลยทําให้เราแทนที่จะไปรังเกียจมันก็ไม่รังเกีเยจแล้วนะพอเรามันเอามาใช้งานพเอามาเผาร่างกาย เราเราก็เงินจะเป็นเงินคือนี้นั่งเราอยากจะหนีอยากจะให้มันหายไปก็ไม่ต้องหนีไม่ต้องหายอะไรมาแล้วก็เอามาใช้ใเป็นประโยช น, น์เําสมมติว่ามั น, เ ป, นเป็นไฟอัมเจตเนี่ยมันเป็นผลที่เกิจากไฟที่เริ่มเผาร่างกายครับตรงจุดนั้นอีจยวมันก็ขายายออกไปทั่วสภาวร่างกาย อจเป็นปฏิบันิทั้งเข้ามาหายงานพระอาจารย์ี่ครับพระอาจารย์เป็นกองไฟรูปใหญ่ทั่วทั่วศีรษะทั่วร่างกายพอถึงจุดที่ร่างกายมันกลายเป็นที่เท่าเลยจุดนั้นมันก็ยกออกจากจิตจมันไม่รวมมันม่เป็นส่วนของดินแทนมันเป็นส่วนของพื้นดินของของบ้าน จิตแค่เป็นเ พ, พ ล, ลงผู้รับหรือผู้เห็นพูดลงไปแต่จิตตนั่นจะสงบมิเวทของเองรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้เต็นเต้นตใจ <c oughs> ว่ามันเห็นแล้วนี่คือสภาพของรางก่ายที่ต้องเป็นไปอยู่ในเราเห็นด้วยจิตไม่ได้เห็นด้วยความนึกคิดสังขารปรุงแต่ง เรามีของจริงเขามีไฟเขาเวทนาที่เป็นตัวแทนของไฟเผาร่างกายให้เราเห็นลองทำดูดีอย่างอยู่เฉยๆดีกว่าพูดโทรพูดโทรลองเอาอันนี้เอาเอามาเป็นไฟเผาร่างกายหนึ่งมาได้อันนี้ก็อันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีการในวิธีที่เราจะจัดการกับทุกเวทนา ขอบพระคุณครับพระอาจารย์โอเคจะาแมกับแจ้าที่จากศรีราชากราบนมัสการพระอาจารย์ครับอันนี้มา ส, ส่งกัดวันครับวงคนสามสิดข้อที่ส1มเ็ดถึงสามสิบสี่ครับเาว่าม า, ม า, มาตะโปจะพรามมัจาริยันจะอริยสัจจานะ ทัศน์นิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตังการมีความเพียรเป็นเพื่อนเป็นเครื่องแผดเขากิเลสการประพฤติธรรมจันทร์การเห็นอริยสัจทั้งหลายและการทำพละนิพานให้แจ้ง ทั้งสี่ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดอ่าข้อหนึ่งว่าอย่างไรการมีความเพียนความเพียนเป็นเครื่องแผดของกิเลสครับอ่าเพียนนี่ก็คือเพียนเจดงสติพุธทผทุธทหรือเพียนด้วยปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์เรียกว่าความเพียน ไม่ให้เพียงแบบวิ่งช็อตกิ้งอะไรไม่ใช่ต้องเพียนด้วยสติเพียนด้วยปัญญาถึงจะแผดเผาดิเลตได้ถึงจะดับที่เลตได้เข้าต่อไปการประเพฤติพรหมจรรย์ครับอ่าเนี้ยการประพฤติพรหจก็คือการถือศีลแปดขึ้นไปเคยถือศีลแปดหรือย่างพรอาจรรย์ คือไม่โภมาจันทร์ก็คือไม่ไม่แสวงหาความสุขทางตาจิตวิญญกายไม่ไม่กินข้าวมากเกินไปไม่แสวาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่แสวหาความสุขใจดูภาพยนตร์น้องนับทำเป่งนี่นะมเป็นการก็ะพฤติโภมาจันทร์เป็นบรรดาเป็นนักบวชจะบวชแบบคารวะข้าบวชแบบสิ้นแปดไป ถาจะบวชเป็นสัมมาเยก็เสียสิบไปถ้าบวชเป็นพระก็เสียสองอยยี่สิบไปครับครับ น, นี่คือการประพฤติพรมนะหมจรรย์นะบวชแล้วยังมีข้อหนึ่งการเห็นอริยสัจทั้งหลายครับเป็นยังไงดูว่าอริยสัจคืออะไรเอออริยสัจสี่ครับอ่ามีอะไรบ้าง ข้อนที่เรียนไปนี้ทุข้อหนึ่งคือทุกข้อสองคือเหตุของการเกิดทุกข้อสามคือการดับของทุกข้อสี่ทางสู่การดับทุกขในข้อหนึ่งในวัตทุกข้อสองในวัสมุไทยเหตุของของทุกข ข้อสามที่คือการดับทุกข์การดับของทุกข์ข้อสี่มัจคือทางสู่การดับของทุกข์ข้อหนึ่งอะไรคือความทุกข์คือการเกิดเกิดมาต้อทุกข์ไหมเกิดมาก็ทุกข์ค่ะเกิหินข้เกิดมาแล้วง ก, ก, ก, ก, กินข้าวใช่ไเกิดมาแล้วต้องหิวข้าวเพราะไม่มีข้าวกินข้าทุกข์ปใช่ะใช่ค่ะ แล้วเดี๋ยวแก่ทุกไหมเวลากแก่ไม่รู้<ช>ไม่แ ก, ก, แกเวลาเจ็บไข้แล้ปปวดทุกไหมถูกครับเวลาจะตายนี่ทุกไหมถูกครับทุกครับเนี่ยคือทุกเนี่ยทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายจำไว้นะครับแล้ เ, เหตุที่ทําให้ทุกคืออะไรก็คือการอยากอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรส การมั่ตัะหาอยากมีอยากเป็นภาวะตระตหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตระหนัอยากจะเสพรูปเสียงกลิน<ร>แล้วก็ต้องมีตาหูจมูกเิ่นกายใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่มีตาดูได้ไหมไม่ได้ค่ะ ไ, ไม่มีหูก็ฟังเสียงได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วอะไรที่มีตาหูจมูกเิ่นกายก็<อ>คือร่างกายนะครับ ร่างกายเรามีตาบ้างมีหูบ้างมีจมูกบ้างมีปีนหรือเปลมีครับมีร่างกายบ้างน่นแหละความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมั่นก็เลยทําให้จิตต้องไปหาร่านกายมาเสพเหมือนการอยากเื่อนเกมนี้ก็ต้องไปหาเครื่องเงื่นเกมมาเล่นใช่ไหมใช่ครับเออถ้าไม่มีเครื่องเล่นเกมก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับ แต่ถ้าไม่อยากเล่นเกมก็ไม่ต้องไปหาเครื่องเล่นเกมมาเล่นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่อยากหารูปเสียงกินรดมาเสกก็ไม่ต้องมีตาหัวใจมเล่นกายใช่ไหมถ้าอยากจะให้ไม่อยากจะให้ไม่มาเกิดอยากเจ็บตายก็ อ, อย่าไปมีคาวามอยากเสร็จรูปเสียงกินรดต่างๆครับ แล้วทำไงถึงจะหยุดความอยากได้การหยุดความอยากก็ต้องใช้มากมากก็คือการปฏิบัติการสัมปฏิบัติอะไรที่ทําให้ทำให้เราหยุดความอยากได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาในมัคแปดครับครับอย่างที่เราแล้น่ะนักที่เรามาฝึกศีลการฝึกสมาธิการฝึกปัญญากันเพื่อมาหยุดความอยาก ทำอย่าที่จะเสกรูปเสกเกิดเราพอเราหยุดกันได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อเราไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีภาพทุกข์อีกต่อไปครับครับพอจะอเข้าใจไหมพอเข้าใจข้อข้อใจอครั บ, รบโอเคเดี๋ยวอีกสี่ข้อใช่ไหมโอเคครับแล้วอ การเหน็นนริยศาสตร์นี้เป็นมงคลอย่างยิ่งคือการเข้าใจว่าเรามาเกิดได้อย่างไรเราการเกยดของเรามันสุขเมื่อมันทุกข์กันนะ่ทาไมาถึงฉลองเบิร์นเดย์ Happy birthday ดย์กันมันต้องมันต้องแซนแซนแซนเบิร์นเดย์มากกว่าแฮปปี้เบิร์น y ดย์ใช่ไหมใช่ครัแต่ทำไมเราถึงไม่ฉลองมันเกิดกันล่ว่า Happy Bir ิร์นเ เกิดมันมันมันแฮปปี้เลยมันมันแซดกกันน่แคร์ผมแชร์ครับใช่ไหมแสดว่าเราไม่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์คนที่ยังว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แสดงว่าไม่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์กลับไปเห็นว่าการเกิดเป็นสุขเรีว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่แต่พระพุทเจ้าเนี่ยที่เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์ ไม่ใช่ happy birthday uh, sad sad birthday เพราะมันทุกข์เาะอะไรเพราะต้องกินต้องต้องหากินหาอยู่ใช่ไหม <c oughs> มันไ ม, <c oughs> ไม่ไม่มีข้าวกินทุกข์ไหมไม่มีน้ำดื่มทุกข์ไหมทุกข์ครับไม่มีรมหายใจยิ่ทุกข์ใหญ่ใช่ไหมครับนั่นแหละการเกิดคือความทุกข์ แล้วพอเกิดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องแก่ก็ต้องทุกข์อีกแล้เวเจอใครได้ป่วยก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวว่าตายก็ต้องทุกข์อีกงั้นอยากเกิดดีกว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องอยากเกิดต้องต้องต้องต้องร้องเพลง Happy No Birth Day วั <c ười> น No h a y ก็แฮปปี้จริงเพราะพระเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าแฮปปี้บารมีสุงเนี่ย พระพุทธเจ้ามี no birthday พวกเรายังมี birthday อยู่แต่พวกเรารอแฮปปี้เบอร์เดย์หลอกเราเองหลอให้เราสบายใจสุขใจแต่ทุกวันมันมันสูงก็ทุกกันมีวันไหนไม่ทุกง่ายไม่มีใช่หมั่นะเสีทุกกับทุกวันใช่ไหมไม่ทุกกับคนนั่นก็ทุกกับคนนี้ไม่ทุกกับเรื่องนั้นก็ทุกับเรื่องดีใช่ไหมใช่ครกับก็เตอร์เดย์แฮปปี้บัตเตอร์เดย์กันได้ ลองเล่า Happy No Birthday Happy No Birthday พ oh อ No Birthday อ ก, ก็ยังไม่มีไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนะใช่ไหมกินนะคุณครับถ้าอยากไม่มีเบิร์ดเดย์ต้องทำไงก็ต้องหยุดความอยากในรูปเสียงกิ่นลดอยากอยากดูดังฟังเพลงอยากอยากกินขนมนมเนยอะไรต่าง อยากอยากเที่ยวอยากอยากเล่นเกมนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้มาเกิดกันนะแล้วจะหยุดความอยากได้ไงก็ต้องปฏิบัติศีลถือศีลห้าศีลแปดเอาพื้นพรหมจรรย์การเอาพื้นพมหมจรรย์ต้องถือศีลแปดแล้วก็มาฝึกสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาเรียนรู้ว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์ เราเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจครับพอเรามีศีลธรรมานมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะละความอยากได้หยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากก็ไม่มีการเกิดเราก็จะร้องเพลง Happy n o w Birthday New b for me ดีไหมดีครับเนี่ยพระพุทธเจ้ามานลราลูกๆทั้งร้องเพลงนี้ฮะ Happy November for me โอเคดี๋ยวเลืสี4ข้อใช่ไหมข้อถึงสข้อสุดท้ายใช่ไหมคใช่ครับโอเคแล้วลืมข้อข้อหนึ่งหรือข้อสข้อถึงถึงสาสิเอ็ดนี้มาหรือเปล่าอ่าิบสองข้อมากัไปอ่านอยู่ค่ะจะังไปอ่านค่ะ อ, องท้องทวนอนี้เรื่อยๆนะแล้วเช็คดูว่าเราทําำข้อไหนได้บ้างทํขาข้อไหนไม่ได้บ้างข้อไหนไม่ได้ทําก็หัดทำเลยครับครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่ไมีนะครั<อ> บ, อบโอเคตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมหรือเปล่าไม่เปิดเนีมยต่นี้เปิดเดี่ยวครับแต่อาทีกหน้าจะปิดครับเป็นช่วงกีฬาครับช่วงกีฬา เดี๋ยวเรียนอินเตอร์แล้วเรียนเปิดแบบอินเตอร์แล้นเรียนแบบอนนี้ยังเรียนสามารถก็เปิดอีกเปิดแบบไทยก็แบบครับแบบไทยก็ต้องปิดเทอมติดเข้ามา้ะเดือนนี้ยังเรียนอยู่นะยังไม่ยังไม่เข้ารังสอบอยู่นะสอบเสร็จแล้วครับแต่เรียนอีกสองตอนปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์เสร็จก็จะเปิดอีกสองอาทิตย์ครับแล้วก็ก็จะปิดแบบคือเดี๋ยวเดี๋ปิดอาทิตย์หน้าแล้วค่ะปิดอาทิตย์หน้าแล้วค่ะ เป็นอะไรเปนไลิกรูเหรอเป็น inter ต้องเรียนรู้เป็นบรหรือว่าเป็น inter เป็นภาษาอังกฤษต้นวรือว่ามีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยด้วยภาษาไทยครับโอเคถาถึงถาทนนี้ก่อนนะครับกลาวขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าอาจารย์รงพิไลกับคุณอนุกูลอยู่อยู่เบื้องหลังนะ เบื้องหลังค่ะแบบน้อมส ก, การพระอาจารย์ค่ะแบบน้อมส ก, การพระอาจารย์ครับอาจารย์ปอนค่ะเมะื่อกี้เมื่อกี้พอได้ฟังแล้วก็ยังแบบอืมเกี่ยวกับที่ดูร่างกายเอาไปเผาไว้นะคะว่าเวลานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนถามพระอาจารย์เป็นเวลาเราไปตรวจร่างกายตรวจเลือดองนี้ใช่ไหมคะมเราก็แบบ เราก็กําหนดจุดได้ใช่ไหมค่ะได้ต่อเนื่องกันไดเราก็เราก็มองเข็มกับเส้นเลือดไปให้ให้ชัดอืคือเหมือนกําหนดจุดไปหรือว่าไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองทะลุไปเลยดีโดยไม่รู้สึกอะไรมองว่าเรามองว่าเราดูร่างกายถ้าเราดูร่างกายเรากับร่างกายก็จะเป็นเหมือนคนละคนกันคนละสิ่ค่ะ คือถ้าเราไม่ไม่รู้สึกอะไรไปด้วยแต่เราก็สํารวจไปด้วยเวลาตรวจร่างกายเงี้ยนะคะแล้วแต่จิตเรานิ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ได้ปฏิบัติได้นะใ่ทใจน้อยนิ่งเฉยเฉยใหรู้เฉยเฉยไปค่ะดูไปทําฟันไปอะไรเงี้ยนะคะก็ทำไหมคะเฉยเฉยไปดูก็ทําไปค่ะก็เลยเออติใจก็าฉีดยาก็ดูเฉยเฉยไหม มันก็จะทาให้ให้เรานิ่งมันก็เหมือนกับได้ปฏิบัติความนิ่งนํามันมาใช้เป็นประโยชน์นะครับไม่นิ่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปกันเลยค่ะค่ะเรได้ทามาตลอดนะแล้วก็ยังคนต้ถามว่าเราดูทําไมเ้าก็บอกว่าเราฝึอกอ ะ, ะเราเราฝึกให้เรามันมันไม่มีอะไระก็ไม่ต้องรู้สึกอะไร่ดูไปดูเหตุการณ์ตามความเป็นจริงไปใช่ เราเข้ดูไปเรื่อยๆก็ไม่เบื่อไม่ไม่รู้สึก ừ, ไม่เจ็บไม่ปวดนะงั้นบางที่มันจะไปต่อต้านนี่ยกลัวอใช่แต่ถ้าเราดูว่าเราทำกรัรเราเรากำลังศึกษาดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคก็ดีเป้าหมายคือให้เราใจเราเฉยที่เกิ อ, อยู่กับเหตุการณ์ให้รู้เฉย แต่เราค่ะเราเราก็ตามตามไปดูไปรู้ได้ใช่ไหมคะคือรู้ดูู้รชเฉยๆคืออย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นเราอย่ะคิดว่าร่างกายก็เป็นร่างกายเราก็คือก็รู้ก็รู้ไปครับอยากกู้รู้ออกออกจากร่างกายผู้เราวพูดรู้เป็นก็พูดดูร่างกาย ก็ได้ดําเนินตามแนวทางเนี้ยมามามาตลอดก็คิดว่าพยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเอองั้นเราก็มาได้ถูกก็ทํานี้มาตั้งนานตั้งนานแล้วก็หม<อ>ายก็คยอให้ใจเราเฉยไปไม่ไ ม, ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายคํามันมันเฉยเวลาปฏิบัติอย่างอื่นด้วยจนมีความรู้สึกว่าเออเรากำลังจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า ไม่เป็นมันมันนิ่งาเรารู้ตลาดเวลามันก็ไม่เป็นมันนิ่งแล้วมันรับสถานการณ์ต่างๆได้แบบสบายทางเฉดเฉดสบายสบายเลยเราสาร์เมอมันเกี่ยวกับเรื่องตามไม่รู้มากว่าถ้านิ่งเราสาร์เมอได้ไงนึกว่ามันนิ่งมากจนนิ่งก็ดีนิ่งกับสงบเลยค่ะ ก็เลยสุดสัปหไม่มีแล้วค่ะไม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะกลับไปจับคุณสารกาชายหน้าตอนนี้น้ำมาใหญ่เลยหน้ข่าวแค่นี้เลยมาใหญ่เลยค่ะท่วมถึงโมหรือยังยังค่ะอาจารย์ล้นอยู่แต่ว่าโลกก็จะไปภาวนาวันเสาร์เนื่องจาบ้านเราไม่เคยท่วมนที่บ้านเคยท่วม เลยค่ะปีห้าสี่ค่ะพี่จานถึงถึงนี้แลยถึงเกวเลยค่ะค่ะไปเก็บการไม่ได้เก็บการนีหน้าไม่ได้เก็บผลของไม่ยดง่ายๆค่ะเอาเท่าที่ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ก็คือปล่อยเหมือนเดิมแพนแล้วค่ะก็เลยมีแผนแล้วไม่เป็นไรค่ะแพ้ไม่หมดแล้วอแต่ว่าวันมัน วันเสาร์จะไปภาวนาค่ะอาจารย์ไปขึ้นเขาเนี่ยค่ะค่ะไปแปดบอกค่ะผ่านมาเลยนะอันนี้บอกเขาไว้แล้วบอกแฟนไว้แล้วว่าถ้ามันท่วมไม่ค่อยไปรับกลับมาช่วยกลับมาทํามอ่ะท่วมหวานมันท่วมไปเลยกลับมาแล้วไนปทำอะไรได้ไม่ได้ไม่จะกลับมาแล้วทรายน้ำทายท่วมได้ไไไปะ เราอกไม่หัวกันเลยหรอลูกลูกลูกอยู่บนเขาอยู่มันเขาสบาแล้วกลับไปอาบน้ําท่วมงหน่อยค่ะแต่คิดว่าไม่ทัวมาค่ะอาจารย์อืค่ะเพราะว่าส่วนมากก็แทนไว้แล้วของก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่เอาเลื่อนขึ้นแค่นั้นก็จบค่ะอถ้าไม่ท่วงก็ขอให้ใจเราไม่เดือดร้อนก็แล้วกัน อ๋อลูกคิวค่ะพระจานทร์คราวที่แล้วก็ก็ไม่ได้อะไรค่ะก็คือขนเท่าที่จําเป็นแล้วก็ process ก็กลับมาแค่นั้นเองไม่ได้อะไรค่ะพราจันท์มันเป็นหน้าตาเนี่ยมันเราห้ามไม่ได้ตช่ห้ามมันไม่ได้ดื่น้ำลงไฟห้ามมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราท่วมทุกคนถ้าท่วมเหมือนเราเลยค่ะพระจานทร์ค่ะนั้นแค่เนี้โอเคทาบท อคุณน้อนั้นที่ดาอจารย์ก็ทมององมองก็ทั่วไปมันยันดินทั่วไปกว่าอ๋อมีบ้างเจ้าค่ะวันที่ตกนะ่ะก็มีนิดหน่อยเจ้าค่ะมไม่เยอะมากเจ้าค่ะพ็หลอดอยู่วันที่ตกหนาวบางคนเดินทางต้องหลายชั่วโมงก่จะกลับบ้านได้ใช่เจ้าค่ะแต่ยมก็ยังยังรอดอยู่ท้งคือไม่ได้ทํางานไกลมากเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะก็ ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของทางโลกเข้ามายังค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะพระจานทร์เพราะว่าคืองานงานวิจัยอะไรที่เดิมเดิมทําต่อเนื่องอยู่มันก็ออกผลมาหลายอันแล้วเราก็เลยเหมือนต้องใช้ความคิดไปค่อนข้างเยอะเจ้าค่ะพราจารย์ก็ประกอบกับงานการสอนที่ที่ได้ได้ถามเรียนถามพระจานทร์เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขาก็ยังต่อสัญญายอมดุก็เลยเหมือนน่าจะยังต้องต่อไปอีกระยะหนึ่งก็คงจะต้องพยายามมาล้านทางโลกทางธรรมเจ้าค่ะพระจานทร์ ก็ถือว่ายังยังไม่หลุดก็้วกันติดพันอยู่เลยเจ้าค่ะคือก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความอยากหรือปนๆกันเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าก็คือเดิมที่แบบมีโอกาสเรื่องของทํางานวิชาการมาบ้างแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสสอนต่ออีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราได้รับเหมือนตําแหน่งวิชาการอะไรที่สูงคืออะไรนี้ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นตั้งใจความตั้งใจเดียเป็นโกหรือว่าความอยากมีอยากเป็นอยากไม่อยากเป็น อาจจะยังติดโจ๋าอาจารย์อยากมีตำหนักทางวิชาการนยากเป็นรอสอนไเป็นอะไรนะครับว่าก็เดี๋ยวคงต้องค่อยๆเฟดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตั้งยังมีความตั้งใจอยู่ว่าจะสอนจารย์ังมีความอยาอยู่นิดหน่อยยังรีไม่หลุดยังไม่หลุดในการยอมรับสภาพน้ยังาจยังพยายามจัดสรรเวลาในการประชุมคบคู่คิดว่า ยังขอคู่ไปก่อนนิดนึงเจค่ะก็ยังดีอย่างไรยังรู้สึกตัวยังรู้ว่าเรายังยังยังติดอยู่ต้องขาวพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็พยายามไม่ไม่ไปทุกข์หรือว่าไปแบบขนไฝอะไรมากมากขนาดนั้นเลยเาพระอาจารย์ก็พยายามบาลานซ์้าค่ะก็ส่วนส่วนเรื่องปฏิบัตินี่ก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องเวทนาเนี้ยก็โยมก็ยังใช้ ออุบายประมาณเดิมอยู่เจา้าค่ะที่เหมือนกับจอคล้ายๆว่ามองเหมือนคล้ายๆตอนที่เราฉีดยาชาเทียบกับตอนที่ปวดก็ยังวางได้นะเจ้าค่ะและ้วก็เออรู้สึกก็คือสังเกตจิตมากขึ้นว่าเออจิตเรามันไม่กระเพื่มอมวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีความอยากก็ก็ยังทรงๆตรงนี้อยู่เจ้าค่ะแต่คิดว่าน่าจะต้องเหมือนเพิ่มชั่วโมงบินหรือว่าเอขยายเวลาว่ามันจะยังนิ่งสิ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ลังเกียจมันเราจะไม่ท้อเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปลังเกียจมันรังเกตดูเราฟังเสียงเพลงเนี่ยเพลงที่เราไม่ชอบเนี่ยแมันจะเบาขนาไนไหนฟังให้มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเพลงที่เราชอบนี่เปิดดังแค่มันนั่นหูเราก็ไม่ทุกข์ประมานีแต่มันก็เป็นเพลงเหมือนกันนมันก็เป็นเสียงเหมือนกัน เวทนานี่ก็เหมือนกันเวทนาเราทุกประมาณเพราะว่ามันเราตัวทุกเราทุกเวนทนาเราไม่เราไม่ชอบแต่<บ>ถ้าเป็นสุขเวนทนานีเท่าไหรเท่ากันเจ้จาคาะก็ต้องลองแล้วเเราต้องลองพลิกกับเรามาชอบเรามาชอบทุกเวนทนาแล้วไม่ชอบทุกเวนทนาเพื่อปรับให้มันเข้าสู่ตรงกลางทั้งคู่ใช่ไหมจ๊ะ มันเฉสุขก็ไม่รักทุกข์ก็ไม่ชังอยู่กงกลางเจ้าค่าะอาจารย์แล้วก็ที่ที่เมื่อตอนต้นที่อาจารย์กรนะนาให้ให้อุบายเรื่องเผาตัวเองนี่คืออันนี้ถ้าถ้าในช่วงที่เราก็นิ่งๆดีเราก็ไม่ไต้องใช่ใชไหมเต้องค่ะอาจารย์คือใช้ตอนที่มันแบบมันไม่ไหวอย่างงี้หรือเปล่าจ้าค่ะอาจารย์ก็บางทีมันยังไม่ยังยังนิ่งๆอยู่ก็เริ่มทําอะไรก็นเนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอถึงเวลามัน มันเริ่มมีปฏิกิริยามันอาจจะหยุดมันไม่ได้นะ อ, อ๋อตกลงค่ะอาจารย์เหมือนเรามริ่มมีเริ่<อ>มีอาการเจ็บแล้วก็เลยเอาอาการเจ็บนี่มาคิว่าไฟเริ่มลุกแล้วนะไฟเริ่มยังเผาร่างกายแล้วนะอืมตกลงค่ะเหมือนกับเราสอนใจเราไปเรื่อยๆนะอใช่ไหมเจ้าค่ะสอนใจกำมังติดกำลังร่างกายกำลังกาลังถูกเผา เผาด้วยไฟของเวทนานความเจ็บความเจ็บของเวทนานก็เหมือนกับความเจ็บที่กระจากไฟเผาร่างกายเปรียบเทียบกันแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ขอคําถามหนึ่งในส่วนของคือในส่วนของฐานจิตเนี่ยนะคะอาจารย์คืออันนีเ้เราต้องผ่านฐานกายก่อนแล้วถึงจะไปวางจิตได้เหมือนกับว่ามันคือจริงๆอุบายอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราเราใช้อุเบกขาที่มันกําลังมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าจ๊ะค่ะ ฐานจิตก็คือสมาธิอยู่แล้วเพราะงั้นนะาฐานจิตคือสมาธิตอนนี้ส่วนใหญ่จิตเราไปอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายเราต้องเปลี่ยนฐานจากฐานร่างกายมาสู่ฐานจิตให้จิตมันตั้งอยู่ครับสงบอยู่ในสมาธิถ้ามันมีอุเบกขาทีนี้พอมันออกมาตั้งที่ฐานกายมันก็ใช้ปัญญาสอนให้ปล่อยวางกาย มาวางเวทนาแล้วค่อยไปไ ป, ไปค่อยกลับเข้าไปปล่อยวางจิตอีกที่หนึ่งปล่อยปล่อยอารมณ์ที่มีอยูในจิตอืมจ้าค่ะนั่นคือเป็นอันนี้นน เ, ปนเป็นระดับปัญญาเป็นขั้ขึ้นไปใช่ไหมส้มค่ะพอาจารย์ระดับต้นเราต้องการฝึกจิตลักสมาี่ให้จิตมันมีฐานของมันฐานชูเบคขาเมือันมีฐานแล้วทีนเราก็ใช้ เป็ น, เ ป, นเป็นฐานในการทํา ง, งานการปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิาจารณาจิตรอบเป็นตายรักได้เจ้าค่ะขันจิตมันต้องตามความละเอียดที่มากขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่มันผ่นานร่างกายผ่านเวทนาให้ได้ก่อนเจ้าค่ะผ่านร่างกายด้วยเวทนาด้วยทุกเวทนาให้ได้ก่อนเจ้าค่ะ พอนผ่านมาแล้วท่านั้นร่างกายกับเมทนาก็จะหมดปัญหาไปนี้ก็เลยเป็นปัหาของจิตแต่ในระหว่างนี้นี่มันก็จะเรื่องจิตมันก็จะค่อยๆเบาบางลงด้วยไหมเจ้าค่ะอาจารย์แต่มันอาจจะยังยังมีอยู่แต่แต่เบาเบาบางลงไหมเจ้าค่ะอาจารย์คือในในขั้นที่เราวางกายไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันก็มันก็เบามันก็ แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่มันไม่ <Okay. S 1> มันอาจจะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนตอนนี้ยังไม่มีฐานไม่ไม่ได้ผ่านน้ำผ่านน้ำกายผ่านวิจารณามันาจจะทุกข์ผูวายมากกว่าพอผ่าน่างกายวิจ mm hmm. าแลา้วความทุกข์มันก็น้อยลงไปที่มันก็จะเจอทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเ mm hmm. จ้าข่าวพระอาจารย์ ขอบอกขคุณเจ้าค่ะจะน้องนําไปปฏิบัติเจ้าค่ะอา้อาวปล่อยใ้น่าใจให้ได้ก่อนปล่อยเวทนาให้ได้ก่อนเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์แ ล, แล้วค่อยไปกังวลกันเริ่มจิตต่อไปเจ้ า, า, า, พ า, พาค่ะ <พา S 1> เจ้าค่ะขอบอกขอบคุณะเจ้าค่ะอาจารย์แ ม, มเดีแวอยู่ใกล้ ใ, นในพัทยาเนี่ยกับนมามส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ผมไม่ไดีค่ะ ไม่มีคำถาคุณอนุนอาภาจจากบมบบลราชทานีการพัสตานเจ้าขาภาจารย์อเรื่องทุกขเวทนาเจ้าขาภาจารย์พอดีลูกเคยฟังพระภาจาร์ในช่วงเทปน่าจะเป็นเทปธรรมะบนเขามีมีช่วงหนึ่งที่พรภาจาร์ให้ให้อุบายในการจัดการกรเวทนาที่ที่ลูกจํามาเจ้าขาภาจารย์คือ ให้เห็นว่ามันเป็นโ o c e s s กับฟังชันน่ะของขันห้าค่ะอาจารย์ค่ะคือถ้าลูกเอาอันนี้มาใช้ก็ก็พอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ว่าว่ า, วามันมันเป็นเหมือนกับว่าธาตุสี่ดินน้ำลงไฟมันเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นฟังชันคือมันทำงานของมันไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะาาอช่ก็มันเป็น เป็นฟังก์ชัที่เราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันดําเนินไปเกิดการแปรปรวนของธานสีาาน่นิ้แล้วลงไปเอาเป็กายกายแปรปรวนของธาตุในน้ำกายแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามส่วนต่างๆค<า>่ะเพราะว่าที่ที่เคยลองนั่งนั่งนานๆแล้วสามารถพอ พิจารณาไปได้ก็ก็พอมองมันว่ามันเป็นกระบวนการของภาตี่ในน้าลงไฟแล้วก็เวทนานการะบาธรรมชาติอันน<อ>ี้กระบวนการของดินฟ้าอากาศเนี่ยน่ามาเดี๋ยวฝนตอบแดดออกาาอนะพิจารณาเหมือนกนนารพิจาามก็เปลี่ยนไปเป็ีนมาอยากสุขเป็นทุกข์อากไม่สุขไม่อยากสุขเป็นทุ ก, กข์อา ก, ขกากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์สลับไ ป, ส ล, บไปสลับมา ผ, <Okay. S 1> ผ, ผู้รู้โลภายังเฉยๆอยาไปเลือกที่รักมากที่ช่าอันนี้เราเลือกเราเลือกราเั เ, รา เ, ล เ, ราเลือกที่รักสุขเวทนาและทุกขช์ชางทุกขเวทนามันก็เลยทำให้เกิด ค, ความทุกข์ขึ้นใน ใ, นใจเวลาสุขเวทนาหายไปก็ทุกข์เวลาทุกขเวทนาผขึ้นมาก็ทุกข์ค่ะเจ้ค่ะจ่า แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ลชอบก็คือพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในภาาษาอังกฤษว่ามันมีการ n ิน g ิเกตกับด i สอินติเกตนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่มันมีการมีการเติม่าตุแล้วกมีการสลาย่านตลอดนตั้งนะแต่เราตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดองคการก่อร่างสร้างตัวช่วงแรกๆ ก, ก็จะมีแต่การการดวตัวมากกว่าการสลายตัว ตอ น, นครัมันถึงจะเริ่มเติบตัวได้พอมันโตไปเป็นปขั้นสูงสุดนั้นที่การสลายตัวมันจะมากกว่าการการารวมตัวการนั้นก็เลยแก่ชำรุดสูญไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวก็ตายไปตอนนั้นก็การการรวมตัวก็หมดนะไม่มีการเข้าของเด่นน้ำลมไฟแล้วไมีแต่การแยกตัวอย่างเดียว แ, แต่ตอนต้นตอนที่ปฏิสนธินี่ยมันมีแต่การรวมตัว เจ้าขาค่ะเติมท่าตุอยู่เรื่อยๆเติม่าตในเทตาแม่อยู่เรื่อยๆให้แต่เติมดินน้ำลงไปน้ำกายมันก็เลยกำลังเติบตขึ้นพอข้อเรามาเติมเราก็เติมดินน้ำลงไปต่อแต่เก็มีการมีการขับถ่ายบางส่วนของดินน้ำลงไปออกมาเหมือนกันเจ้าแต่ส่วนใหญ่จะเก็บไว้สร้างร่างกายดินท่าตดิน ส่วนที่ไม่ท่างแล้วก็ขับถ่ายออกมาค่ะถ้าถ้าลูกใช้อุบายนี้เหมาะที่คิดว่าพอเป็นไปได้กับจิตใจของตัวเองก็สามารถนำไปใช้ได้ต่อเนื่องได้ใช่ไหมเจ้า่าพาจารย์ก็ก็ดูว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันมีมันมีการเข้าแล้วมีการ <c oughs> ออกของธาตุสีตลอดเวลาค่ะเจ้า่ะ ้าสีนี้ใหม่ก็เข้ามาเสริมหรือมาสร้างอวัยวะต่างๆะา้าเก่าก็เป็นเหมือนก็เป็นการเอาส่วนที่เสริมของอวัยวะออกไปับถ่ายออกไปค่ะสำหรับสหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กับขอขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมีแต่ออกมันไม่มีเข้าค่ะ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ร่างกายย่อยสลายไปกลับคืนสู่ดินน้ามีไฟไปบุญยินดีเจอพายุเปบ่าที่นั้น south c bon a r o l i n เด a v i d bonjour อ o จ j o u r Ajahn did you get did you, get the hurricane? Did you catch the hurricane Nearly nothing. We are in the land, so oh, in the, in the the land. Side. on the seaside. On the seaside, it was a bit painful. Yeah. i e had a big hurricane. Yeah, yeah, yeah. A h u hurricane. Yeah. g hurricane. Now w o r k i n g today. Uh, working, but uh, packer. Uh, how do we call them? Uh, packers. Work at, work at home. A little bit work at home and receiving the packers to prepare for moving. I see. <laughs> have you found? Have you finally got the order to go to your new destination? I will learn. We'll learn to Kansas soon. I see. Okay. You like it? You like to go there? Anywhere, no problem. Anywhere. As long as money. Yeah. <laughs> <laughs> Good. Happy for you. Happy for you. I o Thank you. Okay. Good okay. to see. You. Good to see you too. Prenez soin de vous. Bonne santé, Ajahn. Okay. p s o e u s p e n o i v o u e a o t k a r Tha n a n o n g e is i o be o a h e r o n g Thank you. Merci beaucoup. <coughs> ว่าจะต้องวันนี้อาจจะเข้าชั้นเรียนไม่จบอะค่ะท่านอาจารย์เพราะเดี๋ยวเขาจะมาดูเขาจะมาคำนวณว่าจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะทำการขนของประมาณยายค่ ะ, คะไม่ก็ประมาณตามแผนก็คือวันที่สิบเจ็ดถ้าไม่สิบเจ็ดถ้าเกิดเขาคนเขาพร้อมก็คือคงประมาณสิบเจ็ดแต่ถ้าเกิดคนเขาไม่พร้อมก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่ก่อนจะถึงสิ้นเดือนนะคะท่านอาจารย์ก็ม o v e ค่ะท่านอาจารย์ยค่ะ สิ้นเดือนนี้ค่ะคือคือคือได้ลน์ค่ะโอเคน่านจะร้ อ, อยทุกอย่างไปเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยนะไม่หวือประสาอะไรค่ะขอบคุณพระท่า์เป็นอย่างสูงค่ะน่าจะโอเค no problem o okay. Everything okay thank you สาธุอะไรค่ะ bye bye ค่ะ see you next time โอ้โหโอเคไปที่คุณมาริกาต่อ มาดกากลับนมาสการเจ้ขาข่าวพระอาจารย์ได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนชัดเจนเมอคดีทางนี้ฝนมันตกค่ะพระอาจารย์ทีนะ่ที่สุราษฎร์ใช่ใช่ค่ะอยู่ที่บันดาที่วาดคะ่ะอา่าที่วา่าแั้นก็วันนี้ก็มาแค่คัคงธแล้วก็ขวากลับพระอาจารย์การปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ยนนังเจริญสติ รักษาระดับไว้นะอย่าให้มันถอดทอยนะให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะโอเคยังไงไปที่คุณออมค่ะคุณออมอยู่ที่บอกวินชนบุรีพมกสการค่ะไม่มีคำถามค่ะจ ะ, ะขึ้นชอยเมื่อไหร่สิบสี่ถึงสิบหกค่ะใกล้ okay, แล้วนะสิบวันอาทิตย์หน้าค่ะได้สองวันใช่ไค่ะอสองคืนค่ะโอเคค่ะ คนเอกจากเชียงรายการมัสการพระอาจารย์ครับเอ่อไม่มีคำถามครับเข้ามารับฟังครับอาจารย์ก็ปิดปิดอยู่กับพระอาจารย์ครับคุเอกนี่ไม่ไม่เปลี่ยนธน ญ, ญลักษณ์นนะเวรแต่าขันม า, าผามอยู่ที่ที่ที่คออยู่ า, าที่นี้ประจำเลยเลยก็พอดีพอดีว่า มันคอมันจะแห้งครับอาจารย์เพรเปิดเปิดพรดลมอยู่ด้านหลังนะครับอาจารย์อพอคอแห้งแล้วมันมันไม่สะดวกครับบางทีมต้องขึ้นน้ำลายอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้คอมันอุ่นครับอาจารย์ครับผมได้ครับแค่ไม่มีอะไรหลังนะเพื่อนแอเข้างหลังสังเกตดูนะครับมันเหมือนเครื่องแบบมากี่ครั้งก็ใส่ชุดนี้มาลูกครับ ก็เหมือนกันตลัดแล้วกาช่วยนี้ตลอดเวลาไม่กันครับก็วันนี้เข้าห้องเรียนก็ก็ให้ครบให้ครบตามแบบฟอร์มแล้วอาจารย์แต่ปกติไปไปข้างนอกไม่ได้ไปแบบนี้ใช่ไหมไปเรื่อยไปแบบนี้ก็ก็ตามตามสถานการณ์นะฮะแต่ถ้าเป็นวันพระวันอะไรก็ก็ชุดข่าวครับมันพระก็ปฏิบัติก็สุดข่าวเหมือนกันครับ่านดันครับโอเคโอเคปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะอย่า อยถอยนะครับผมครับถูกต้องครับคุณหมอภาสนะน้องสักการ์ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ครานี้กลับมาก็ก็กลับมาก็ยังรู้สึกบบยังคงความสงบได้นะพระอาจารย์แล้วก็มันมันเข้าใจแล้วก็เห็นมันเข้าใจอริยสัจจากการที่ไปเคราวนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ก็คือก่อนไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ ก็เ น, นื่องจากว่าแบบกับทำบ้าให้เป็นวัดใช่ไหมก็ปิดไฟหมดเลยแล้วท่านี้พอดีวันอาทิตย์เนี่ยทางมัดทําเป่ามาพี่เขาตามไปไปที่สวนสงธรรมก็เลยชวนคุณพ่อไปทําบุญก็เลยไปจัดรถเนะ่ยพระอาจารย์ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฮะแล้วมันมืดมันปิดไฟปรากฏว่าประตูข้างหลังมันตีลงมาโดนหัวแบบเลือดเลือดแบบอาบเลยตอนแรกก็นึกว่าเอ๊แต่ว่าจิตใจไม่สะเทืนนะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันโดนเื้อใหญ่ก็คงจะตาย คือรู้สึกว่าก็นิ่งเลยพระอาจารย์ก็ก็เรียกคุณที่บ้านว่าเออเป็นยังไงก็ไปดูแผลเลือดไหลเยอะมากเลยพระอาจารย์แต่ก็กดเอาไว้พอมันหยุดก็เลยเอ้ยไม่ไม่ไม่เปิดความตั้นใจก็พาถึงพ่อไปแต่ว่ามันไม่คือมันที่สัมผันธ์ได้คือมันมันรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่รู้สึกอะฮะพระอาจารย์รู้สึกว่าเออมันเป็นดีด้ำงไฟถ้ามันถ้ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นถ้าไม่เป็นแล้วก็ทํางานออมาปกติแล้วก็ปวดเหมือนกันนะพระอาจารย์แล้วก็มันจัน์ก็มามาเขาชีโอนอืยังมาได้อะแล้วก็ ก็แผลก็ไม่ได้เย็บพระอาจารย์เพราะว่าแล้วก็ไม่ได้เจ็บด้วยนะคะคือพอพระมาเข่าชีโอนแล้วก็ปฏิบัติอะไรก็ลืมไปเลยอะคะ่ะแล้วก็แผลก็ติดคืองงว่าธรรมะโอสถมากเลยพระอาจารย์แผลประมาณสามเซนเนีนะะ่ยค่ะก็ติดแหละวันที่ไปหาพระอาจารย์ยังมีเลือดซึมๆอยู่อ๋อตอนนี้อยู่บ้านแล้วใช่ไหมต อ, อนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะก็แผลเรียบร้อยแต่ว่ามันได้กับกับตัวเองคือแบบมันมันเห็นว่าเออที่เราปฏิบัติปฏิบัติ เชื่อที่พระอาจารย์ตามมามันเห็นได้ว่าถ้าเรามีสติเราสงบอะ่ะมันก็สามารถจะจัดการอะไรได้คือมันมอะไรที่แบบเราดูแล้วเออมันก็เห็นตามจริงือแต่เรื่องเป็นไหลยเยอนนะพระอาจารยนะ์ถ้า ม, มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรกันค่ ะ, ะไปะตามตามสภาพต้องทําไปก็ทำไปว่าไปตามเหตุตามผลเลยค่ะแล้วพอกลับมาก็พอกลับมาจากเกาชลโอนก็ก็ทำอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วก็มาสังเกตตัวเองก็คือจริงๆตั้งแต่ ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ศิปลปแปดนะพระอาจารย์ก็ฉัดก็กินมื้อเดียวแล้วก็ไม่ถือช่วงบ่าน้ําอะไรก็กินน้ําเปล่านะพระอาจารย์ก็คือไม่ได้อยากกินอะไรคือมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากกินอะไรก็สามารถที่จะปฏิบัติได้พระอาจารย์อตอนนี้ก็พยายามดูกลับมาดูที่ที่ใจอ่ะพระอาจารย์สักแต่ว่ารู้พยายามคงที่ได้แล้วก็นั่งสมาธิคุมเงินไปแตรู้สึกดีมากเลยค่ะอาจารย์มีความสุขกับตัวมันเดงก็พอไม่จำอปไนมีความสุขเราเสียเงินนะค่ พระอาจารย์ก็จะมีอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือมันพอมันพอมันพิจารณาไปมันมีความรู้สึกวเฮ้ยสลดมันรูว่ามีความรู้สึกว่าสลดเหมือนกับสลดสังเวชว่าเอ้ยเราก็เกิดมาแบบเยอะแล้วแล้วก็คราวนี้ก็ความตายมันก็ใกล้แล้วก็คือมันเหมือนกับยิ่งทาให้เรารู้สึกว่าเออเราก็พยายามปฏิบัติให้มากเพราะว่ามันจะได้คือแบบให้มากเท่าที่ทําได้ทําได้แท่ไหนก็ก็คือให้มันทําได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะพระอาจารย์ที่มันได้เพิ่มอะอย่าปล่อยเวลามีใครมัน ผ่านไปเนีนไ่ได้ทําอะไรให้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะว่าอู้อยู่ที่ไหนก็ตายได้เพราอาจารย์เห็นเลยอ่ะน่ากลัวอาจารย์<ะ>ทำต่อพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, ะอันนี้ไม่มีโครงการไป ไ, ไหนก็อ๋อลืมลืมบอกพระอาจารย์คือว่าน้ํามันท่วมพระอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าสงสัยวัดป่าสรารน้อยจะต้องไปเดือนหน้าเดือนนี้ก็คงจะไปเขาชีโอนก่อนคงขอไปเขาชีโอนก่อนเพราะว่าทุกเดือนจะต้องไปกับไปวิเวกว่าอาจารย์ที่ตั้งจัด ที่ตั้งสัจจาวไว้แล้วอะค่ะแต่ว่า <Okay. S 2> ของของปะปะปานี่คงต้องรอนนหน้ํานิดนึงนะคระอาจารย์เพราะน้ํามันดูสภาพเหตุการที่เหมาะสมค่ะพระอาจารย์โอเคไม่ต้านี้นะ <c oughs> น้โมน้โมอยู่กมม็ตทางโมมาส ก, การครับพระอาจารย์วันนี้มาส่งกันบ้านครับไม่ไม่ไม่มีอะไรบ้าง ก็คือเรื่องของการไปเจริญสติะครับอาจารย์ก็ช่วงนี้สภาพจิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับครับมันก็ผลทางใจก็ดีมากๆครับมันสงบแล้วก็สบายครับมันก็มีความสุขครับอาจารย์ส่วนเรื่องของการพิจารณากระดูกก็พยายามตลอดครับอาจารย์อเวลาที่นึกขึ้นได้ก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่บางสถานการณ์ครับอาจารย์แต่ ส่วนใหญ่มันยังนึกภาพไม่ออกครับก็จะกลับมาดูเท็กซ์บุกครับอาจารย์ mm hmm. เวลาที่นึกภาพโครงกระดูกไม่ออกครับอาจารย์ mm hmm. ครับอาจารย์ <c oughs> แล้วก็อีกผลออีกอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติอตามคําสอนอาจารย์ก็คือตอนนี้ผลการเรียนครับอาจารย์ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยครับอาจารย์จากก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างถือว่าเ ตกมากๆครับตอนนีถ้ถือว่าอยู่ท็อปของห้องแล้วครับพระอาจารย์ดียินดีด้วยแสดงว่าเรามีสติในการเรียนมาก <c oughs> ในการเรียนจิตเราไม่ไปสนใจเดีย๋ยวเรื่องหนึ่งมากเกินไปค <c oughs> รับพอาจารย์ถ้ามีสติเนี่ยมันใจมันสบมันมีความสุขแล้วมันไม่หิวกับเกมไม่หิวกับเล่นการเล่นนี่อะไระต่างมันก็จะ ให้เวลาของการเรียนได้มากขึ้นครับอาจารย์ดีรักษาระดับนี้ไว้ก็รักันนะครับอา <c oughs> จารย์ได้ครับมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์ยังปฏิบัติต่อเนื่องครับโอเคทีค่คุณ บ, บอสบอสบอสที่ไหนเพืเ่อนน้อ <c oughs> มออะจังหวัดกาญนบุรีครับอาจารย์ครับผม อยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าไปกับพัทยาอยู่บ้านอยู่พัทยาครับเรียนนังที่กรุงเทพอะไรนะครับเรียนังสือที่กรุงเทพเลยเรียนด้วยเขาทำงานด้วยครับอทํางาน้วครับเรียนปริญญาทรอยู่แล้วก็ทํางานสายงานเดิมวิศวกไฟฟ้าอะไรนะทํางานอะไรนะมิศวกรรมไฟฟ้าครับอ่าวิศวนรในรรงไฟฟ้าเอาว่านเรียกทอน เอาเลยรม่ว่าไรับรฟ้าทาไหนใครฟ้าทางไหนไฮวอไฮวอเอ่อไฟ้าแรงสูงอ่าแต่ขอการถามพระอาจารย์ได้ไหมครับได้ะเชิญพอดีวันพัะที่ผ่านมามีโอกาสได้ถามพระอาจารย์เรื่องที่ว่าตกใจแล้วสติเคลื่อนแล้วเหมือนตกจากที่สูงทีนี้อยากให้รายละเอียดเพิ่มก็คือ แล้วแล้วผมก็มาทบทวนคําตอบอาจารย์นะครับที่ว่าอย่าปล่อยให้เกิดสติทีนี้สิ่งที่ที่ผมตกใจเหมือนเหมือนสติรับรู้เราอะเห็นพยานาภายนอกเห็นร่างกายที่มันเคลื่อนไปทั้งภายนอกทั้งทั้งตัวเราที่มันไต่ในมันเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราผมรู้สึกคว็งคือแบบตกใจเพราะมันเป็นสภาวะครั้งแรกที่ ท, ที่เราเห็น มันก็เลยเป็นเหตุของความตกใจของจิตของเรบอันนี้ผมเนี Ill ่ยก็ถามพาจาว่าไอ้สภาวะเนี่ยมันมันคอืออะไรก็ผมก็เหมือนสภาวะ Ear รู้ไปเ ป, เป็นปฏิกิริยาของจิตใจใเราต่อต่อสิ่ ง, งต Lang ่างๆที่ปรากฏขึ้นมาก็รู้รับรู้ไว้รับรู้ว่ามันผ่านไปแล้วก็จบไปไม่ต้องเอาเงาแบกมันเป็นอันดีไปแล้ั ให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์นี้ต่อไปก็คือรักษาสติไว้ให้จิตตั้งมั่นเฉยๆไปเข้าใจไหมอ่ขอโอกาสอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับพอาจารย์อ่าปฏดีเพิ่งเพิ่งเข้ามาเริ่มปฏิบัติจริงจังทีนี้ผมก็เพิ่งรู้จักพระอาจารย์นะครับ ถ้าถ้าาจะเริ่มดูงานพระอาจารย์หนังสือควรเริ่มจากเล่มไหนอะไรยังไงท้อชี้สึงด้านไห้คะเราอยากจะเรียนดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรัะสวดพลผมเบียดถึงไม่หมายถึงอยากจะปฏิบัติอ่าปฏิบัติก็ลองไปอ่านหนังสือปฏิปัฏฐาพระเทวรงค์กรรมฐานยองน้องตามหาบัว้วยเข้าไปในเว็บไซต์ของ ของเราก็มีพรสุชาติ .com แล้วมีที่ดาวน์โหลดหนังสือเนีดูหนังสือปฏิปทาถ้าไม่มีก็ไปที่เว็บไซต์ของหลวงตาหมาบวัวหลวงตาดด .com ที่นั่นก็จะมีหนังสือปฏิปทาพระเจ้าลรสมทานมาให้อ่านลองดาวน์โหลดน้าอ่านดูโดยถ้าต้องการตัวหนังสือมันบางทีขอจากคุณหมาก็ได้คุณหมาวยังมีหนังสือด้วยแบบปฏิปทา เอาติดต่อคุณลาดูเดี๋ยวมีเปิดแชทส่งที่อยู่ไปให้คุณล่ลาจะส่งหนังสือไปให้ที่บ้านก็ได้หนังซือปฏิปทานนี้ะสามวิธีปฏิบัติขอบคุณครับอาจารย์โทเคนะ้ครับขอบคุณครับเก่า okay. ไปที่คุณเอคชนิด ได้ยินไมอนเคชนิดอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมได้ยินเจ้าค่ะพระอาจารย์อือยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไใชค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะอะมีอะไรไหมคืนนี้คืนนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มักดาพระอาจารย์เฉยๆค่ะอืมทุกอย่างเรียบร้อยดีจิตใจสงบดี จิตใจช่วงนี้มีบททดสอบหนักเลยค่ะเพราะว่าแฟนพบก้อนเนื้อที่ระหว่างหน้าอกแล้วก็หัวติดกับหัวใจจะพาตัดอีกสองอาทิตย์ค่ะก็พยายามตั้งสติแล้วก็พุทโธพุทโธเจริญสติอยู่ตลอดค่ะใช่ปัญญาสอนใจว่าทุกคนต้องเป็นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไดม่ทนความเจ็บไข้ไปนั้นไม่ได้ ครถ้าจะตายแล้วทุกคนต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องมีความตายไม่ได้ค่ะคือตอนแรกก็เป็นห่วงว่าโอ้ถ้าเป็นอะไรคือเจ็บแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นห่วงลูกเพราะว่าเพิ่งยังเล็กอยู่เลยก็เอแต่ว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของลูกเนาะเราก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็ถ้าไม่คิดมันก็จะไม่ทุกข์ก็เลย ตัดความคิดอ น, นันตาแล้วก็จะเลพุทธตัวอันนี้ถูกไหมคะถูกแล้วนะ่ะแล้วเรื่องปัญหาต่างๆมันก็เราค่อยถึงเวลาก็ก็ว่าไปตามตามเวลาของมันมันมีทางไปหรอกไม่น่ากลัวรหรอกชีวิตเรามาอยู่มาได้ถึงจํานวนนี้ได้เราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ใช่ไหมแต่จะต้องปรับรูปแบบของการอยู่ท่นเองค่ะ ไม่มีปัญหาหรออยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายก็ร้องไกรอยู่ดีไม่ไม่ตายช้าก็ไปเลยไม่รู้จะไปทุกข์กับอะไรค่ะก็พยายามทําเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์เมตตาสอนนะคะก็ยังยังไม่สามารถนั่งนั่งสมาธิได้เพราะว่าจิตจิตยังไม่นิ่งอย่างที่เคยสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราจิตยังไม่นิ่งแล้วเรานั่งสมาธิกลัวว่า มันจะคิดตะลเดิดเปิดเปลงหรือว่ากลัวกลัวจะควบคุมสติไม่ได้ก็เลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ชติมันก็มัน ก, มนก็มันไปไหนไม่ได้อถ้ามันจะไปก็ท่องพุโทโธพุทโธไว้มันก็อยู่แลอย่างที่เคยเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าคือปกติแต่เดิมเนี่ยเป็นคนกลัวคือคือกลัวผีมากแต่ไม่เคยเจอนะคะก็เลยคิดว่าถ้านั่งจะมาที่ไปแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรหรือว่า มีเห็นอะไรกลัวจะทำทำใจไม่ได้ก็เลยงั้นเราฝึกสติให้มันแข็งก่อนเลยดีไหมอันนี้คิดถูกหรือว่าคิดผิดคะก็ถ้าไม่มีสติมันก็ก็ลำบากเหมือนกัน ก, ก, ก, ก็อย่างนั้นต้องมีสติในระดับที่สามารถควบคุมใจได้เวลาตกใจเวลากลัวเวลากลัวก็<ค><ค>พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะ ก็คือพยายามเจริญสติให้เราให้เราแข็งก่อนใช่ไหมคะถึงจะควรนั่งเดินเดิน จ, จะนั่งไปแล้วก็เจริญสติไปด้วยก็ได้นั่งไปก็สวดสวดมนต์ไปแล้วพุโทโธไปก็ได้ถ้าเป็นรอเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะได้นั่งสักทีนั่นน่ะสิค่ะพระอาจาร <c oughs> ย์เราจะเป็นคนสติเรามีมากเมื่ อ, อไหร่มันก็ต้องนั่งเนี่ย <c oughs> ยิ่งนั่งมากสติมันก็ยิ่งมีมากขึ้นไปเอง พี่เดียเราอย่านั่งเฉยๆท่านนี่นั่งแบบนั่งเขาต้องพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปเนื้อดูลมหายใจเข้าออกไปอย่านั่งใจลอยพี่เดียร์ถ้านั่งใจลอยเดี๋ยวผีมาแน่น่าเดี๋ยวเจอแน่น่อ๋อค่ะก็คือแล้วถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าเรานั่งไปแล้วเกิดการคันเรารู้สึกแบบ หนาวหรือว่ารู้สึกเกิดกลัวขึ้นมาทันทีเราเราควรจะทำยังไงคะก็ว ส, <ถ>สวสวดต่อไปสวดต่อไปพุโทธโธพุทโธไปกอดเตะกับุโทธโธพุทโธไปก็เตะกับททกบทสวดวนไปอย่าไปกังวลจะเกิดกขึ้ น, นป่อนไปไม่มีอะไรหละมันจิตลาวาตัวเราเองอือค่ะลองทํำดูนะไม่ไม่เริ่มทำมันก็ไม่เริ่มนะทีทํำไ้แต่ห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีก็ไม่ทําเลย ค่ะพระอาจารย์จะเริ่มทําเริ่มปฏิบัติค่ะพระอาจารย์วันนี้ก่อนนอนก็เอาเลยก็ไนดะ้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปดูซิจะนั่งเวลาเท่าไหร่ได้ค่ะพระอาจารย์โอเคนะกราบพระอาจารย์ค่ะคุณสุภั ท, าทนาเชิญบวรินชลบรีาากลางมรสการพระอาจารย์จ้ะค่ะก็ตอนนี้ตอนนี้มีความ ความเห็นว่าเอเวลาเราไม่ไม่มีความอยากกับสิ่งอะไรกับเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็จะมีความไม่ทุกข์ไม่สุขเจ้าข้าพระอาจารย์มันจะมีการเฉยเฉยอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ใช่ว่าเป็นขั้นสมาธินะคะแต่มันมีความอย่างเวลาพระอาจารย์เทศเนี่ยมันจะเห็นตามแล้วก็มาพิจารณากับตัวเองขอให้มันไม่ทุกข์ก็ใช้ได้มันจะสุขไม่สุขไม่เป็นไรขอให้มันไม่ทุกข์ก็แล้วกัน เจ้าค่ะตอนนี้มันมีความเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะ ก, ก็เพียน<ม>เพียนตรงนี้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อืมปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไม่ต้องอไปหาสุขถ้าไม่มีทุกข์ก็สุขมันก็เกิดกันเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็มาอัวมณครับเจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าคุณจิ๊บจาก u เ a ริกาแรีอันนี้เข้ามาเลวจิ๊บ นะคอาจารย์วันนี้ยมทํางานที่บ้านเจ้าค่ะพอดีลูกๆหยุดเอ่าวันเออ่เขาเรียกวันอะไรของคนยิวไม่ทราบอะค่ะวันน่าจะปีไม่แน่ใจว่าปีใหม่หรือเปล่าเขาก็เลยทั้งทั้งเขตก็ปิดปิดโรงเรียนหมดเลยค่ะอืเลยขอที่ทํางานบอกขอทํางานที่บ้านได้หรือเปล่าเขาก็บอกยอมคิปเปอร์มั่นใจเขายอมทิปเปอร์ใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะใช่ใช่แต่ยม โยมลืมไปแล้วว่าเขาคือวันอะไรไม่ค่อยไม่แน่ใจคะ่ะค่ะก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์โยมเข้ามาฟังเรื่อยๆคะ่ะ <ừ, S 1> ก็เดี๋ยวนี้แค่รู้สึกว่าเออเวลามีเรื่องมากระทบก็ใจเย็นขึ้นเยอะมากคะ่ะ <ừ, S 1> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรามีสติขึ้นหรือว่าปล่อยวางมากขึ้นไม่ต้องสองอย่างทําไห้มีสติก็ปล่อยไม่ได้มันต้อง<า>มีสติแล้วก็มีปัญญาอ่มันแคแค่นี้แหละชีวิตไม่มีอะไรแล้ว บวไไปกัด้โยมก็ยังคุยกับเพื่อนโยมเมื่อวานนี้เลยบอกว่าก็สู้กันต่อไปตามกําลังในมนุษย์ในโลกถ้าไม่ได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็รับสภาพไปอย่างมากก็ตายอยู่ดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าโลกโรกจิตวิญญาณอันไหนมันยาวนานกว่ากันก็ทํำแต่ดีที่สุดอ่ะค่ะอขอให้เราอย่าทุกไม่วุ่นวายใจก็ถูกต้องแลนะการปฏิบัติแค่เพื่อ ในจเราไม่มีความทุกข์แน่นใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้าทําได้ถ้ามีกอีกหน่อยถ้ามีอะไรมากระทบเราไม่รู้สึกหวั่นไหวนั่นคงเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดที่ทําได้แล้วต่อไปก็จะได้ปฏิบัติต่อต่อขัอ้น ต, ต, ต่อต่อไปอะค่ะรอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะอาจารย์ะะ yeah, สบายดีนะคะสบายดีค่ะทีนี้เริ่มหนาวแล้วอาจารย์ใ<น>ส่เสื้อหนใช่มันเหมือนมันข้ามจาก รู้ดูร้อนไปหนาวเลยยมอกใบไม้ร่วงหายไปไหนอ่ะใบ ไ, ไม้ใบ ไ, ไม้เป็นสีไม่มีอ่ะอาจจะเป็นฝนก ร, กระอบจะให้ไฮดรเกนที่ทางใต้ส่งขึ้นมาหรือเปล่าล ไ, มไม่เกี่ยวไม่แนะ่นะคะแต่ว่ามันคือมันตกหวบลงไปเลยตอนนี้แบบประมาณเจ็ดองศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>เลยไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ฝนตกตกบ่อยๆเหมือนกันก็ก็เลยคิดว่าเมืองไทยก็โดนที่นี้ก็โดนก็เลยรู้สึกว่าส<ม>งสัย แต่ทางนั้นถ้าทางที่อยู่ใน้ำไม่เคยท่วมเช่นมาเลเซยไม่เคยมีเขาไม่เคยท่วมเลยค่ะยังไม่เคยค่ะแต่เพราะว่ามันหนักมันไกลทะเลด้วยนะคะพายุคุณลโซนะคะมันจะไปท่วมแถวแถวตอนใต้มากกว่าใช่ใเจ้าค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นห่วงแต่ตอนนี้เหมือนฟลอดจอร์เจียเซาคโรไลนาทูเอโนใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ท่วมนานนะคะเหมือนมันท่วมจริงแต่ว่ามันก็ลดลง อ mm hmm. แต่ว่าของของเสียหายเยอะแต่ว่าพอเขามีเรือมีอะไรเยอะอะค่ะมันแต่ว่าเขาก็งบประมาณเขาก็เยอะอยู่เขาก็คงแบบเคลียร์ได้เร็วอะค่ะพระจารย์ <Okay. S 2> อ่ะพระจารย์โอเขจะไปทํ <Okay. S 2> างานต่อนจะเาเวลาเอาเวลาทํางานมาให้ครองยมเอาเวลาพักเที่ยงมาคุยกับพระจารย์ <Okay. S 2> าารยังไม่เท <Okay. S 2> ี่ <Okay. S 2> าายงหรอกค่ะสิบโมงเช้าแต่เราก็มาทดทดเวลาเอาค่ะ ขอคุณตัดแล้วัสัตค่ะคุณคงแน่เชียงคงแน่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนกันกล่า้มาสักการ์ค่ะเม่กับคนคนนั้นรู้จักกันหรือเปล่าไม่ไม่รู้สักคาแต่เดียววันหนึ่งอาจจะรู้จักกันก็ว่าใช่ค่ะยมมาส่งกันบ้านค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองทาในสัตชิกที่บ้านแล้วก็ ก็ได้ทําค่ะวันวันพระที่แล้วค่ะ okay. นอนไม่ได้นอนเลยแม่ทั้งคืนเลยแมก็ไม่ได้นอนแต่ว่ามันมีช่วงตอนเช้าตีห้ากว่าแล้วฟุบฟุบลงไปอะค่ะมันเหมือน mm hmm. มันสบะบังงกแล้วก็ตัวยโยกแล้วก็มันเหมือนเมันฟุบหลับอะค่ะอืม mm hmm. แต่ก็ยั ง, ง ม, มีสติเขามีบ้างก็ไม่เป็นไร mm hmm. ค่ะก็ก็จะ ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะแล้วได้ก่อนดีมัยทํอย่านี้แล้วรู้สึกดีขึ้นไหมทําที่บ้านรู้สึกว่ามันสิ่งแวดล้อมมันยังไม่เหมือนกับบางครั้งเวลาเดินจงกรมค่ะบ้านเป็นบ้านไม้ก็จะเหมือนมีเสียงก็ก็คือกลัวแบบทุกคนจะตื่นลูกแล้วก็สามีอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนทําที่วัดอค่ะแต่ก็จะหาวิธีทำเท่าที่เราทําได้ค่ะพระอาจารย์ แต่จะลองฝึกจนกว่าว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ก็คือจะฝึกปฏิบัติไปแต่ถ้ายังเหมือนกับจริตยังไม่ไม่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นไปฝึกวิธีอื่นอย่างอดอาหารอะไรอเงี้ยเพราะเพราะว่าโยมเป็นคนชอบนอนค่ะก็คือวันนึงต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงก็เลยจะแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรครับรักกิเลสตรงที่แบบชอบนอนนะคะก็จะอดนอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อน ค่อนข้างจะสุดตรงนะค่ะแต่ก็จะหาวิธีที่ที่จะปราบกิเลสของตัวเองนรงนี้ค่ะก็ได้พ้าอาจารย์มีวิธีแบบแนะนำตรงไหนบ้างได้องลองพื้นลองลองพื้น้องถึงดูไหม่ะถ้าอดหามันก็หิวมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีค่ะถ้าเท้ามันว่ามันก็จะไม่น่วงนอนมันก็ไม่อยากนอนแต่อย่างว่าแต่อย่างว่าแจิจของแต่ละคนค่ะ แต่อย่างโยมนี่ก็จะฝึกปฏิบัติอย่างวันพระก็จะเหมือนแบบทานมื้อเดียวอะไรอย่างนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเหมือนต้องต้องเหมือนรักษาสีนแปดเนี่ยเราต้องทํากับข้าวมีรูปมีอะไรมันก็มีเผลิชิมบ้างแมัเป็นเพลิดชิมเพลิมเพื่อให้เพื่อให้มันรู้ว่ารสชาตเป็นยังไงไม่<ะ>ไม่ถึงกับเป็นไม่ได้ถึงกับรับประทานแบเป็นจานอะไรค ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็ฝึกสติระหว่างวันมีหลุดบ้างแต่ก็เข้ามาฟังพระอาจารย์ที่ธรรมะน่ากุติธรรมะบนเขาตลอดค่ะถ้าไม่ได้ฟังนัดไลฟ์สดก็จะมาฟังตามตามตามหลังแล้วก็ก็ส่งคลิปพระอาจารย์แล้วก็แนะนําให้ให้เพื่อนเพื่อนที่ที่อยู่ในญี่ปุ่นเข้ามาฟังด้วยอะค่ะ <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะ ค่ะค่ะกล่าสาธุค่ะพยายามทำไปเรื่อยๆนะค่ะสาธุค่ะคุณฟังว่าอะไรจอยวงศักดิ์รีรัชชากลาวนวัฒการเจ้าขาพระอาจารย์วันนี้จะมากล่าเรียนพระอาจารย์เรื่องของความความอยากความโกรธอะค่ะแต่ว่าเออเหมือนกับเดือนนี้ยจริงๆแล้วหนูตั้งใจลางานมาฟังคําที่น่ากุติ ตามตารางที่กําหนดไว้อย่างเช่นวันพราแต่ว่าเจ้านายเขาไม่อนุมัติเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องพารล่างานนะคะหนูก็มาพิจารณาหรือทั้งแฟนด้วยที่หนูจะขอมาวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าบางอาทิตย์จะไม่ได้มาบางทีตย์จะได้มาหนูมานั่งพิจารณาดูว่าเพราะว่าหนูโกรธเพราะเมื่อก่อน่ะถ้าเป็นเมื่อสองสามปีก่อนหนูจะโกรธมากแต่ว่าช่วงหลังๆหนูหนูไม่โกรธเลยเจ้านายเขาเขาไม่อนุมัติให้หนูลาหนูก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหนูก็แค่ยอมรับว่า โอสหน้าเสียดายเนาะไม่ได้มาฟังทำพระอาจารย์อะไค่ะอันเนี้ยหนูก็มานั่งคิดว่ามันเป็นอุเบกขาห ร, หรือว่าหนูรู้ว่าอุเบกขาหลอกอะไรนะะเนี้ยค่ะก็หรอกไม่หลอกก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้เราคะมันมันก็เราแสดงว่าสติมันอาจจะดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะเราเราเราเราูรา้สาเหตุของวามโกิดว่าเกิดจากความอยากเราก็เลยไม่ได้อยา ไ, ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็น่าได้เขาให้ราก็ดีเขาไม่ให้ราก็ดีเราก็จะไม่กรธค่ะวันที่เสร็จก็ไม่ได้ไปหรือตั้งใจเหมือนกันแต่ว่าต้องไปปปฏิบัติงานทุกก็มีมือถือมีมือถือก็เดฟัง<บ>ได้ค่ะหนูตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะวันนี้ก็แอบฟังที่ทํา ง, งานคะ่ะและ้วก็เอแต่ว่าพอกลับมาบ้านราะหนูรู้ว่าอาทิตย์ไหนที่หนูตั้งใจไว้แล้วหนูไม่ได้มาหนูจะใช้เหมือนความ ความเพียรค่ะคือไม่ไม่ได้มาฟังหรอเอาเดี๋ยวเอาให้หนักๆเล ย, ยเช่นนั่งสมาธิหรือเปิดฟังใหม่เลยนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องฟังทุกครั้งหรอกมันฟังบางทีมันก็ฟังแล้วก็นอกจากว่าได้ไประโยชน์ก็โอเคถ้าบางทีฟังแล้วก็อาจจะเฉยๆก็ขาดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่แต่ชอบฟังค่ะเป็นชอบฟังา ม, ม, มากๆเลยค่ะ เมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ฟังไม่ได้เข้าซูมภาษาอังกฤษอะค่ะแต่ว่าฟังทำอยู่อยู่ข้อหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่อยู่อินโดนีเซียที่ถามพระอาจารย์เรื่องเรื่องของการเรียนธรรมมา ก, กับคนอื่นนะคะถ้าเป็นหัวข้อแน่เหมือ น, นเคยอ่านหนังสือของของหลวงปูด่ดูท่านท่านเคยกล่าวไว้ว่าการมีพระการมีอาจารย์คนเดียวเป็นควรเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเออเหมือนแบบไข้เผลหรือลังเลถูกต้องไหมคะ ถ้าได้ปัจจัยที่ดีก็คนเดียวดีที่สุดแต่ถ้าถ้าถ า, ถาไม่แนาจากว่าท่านดีหรือไม่ถ้ามีอาจารย์ญญองค์หน่งมาเปรียบเทียบด้วยก็เนมันก็แล้วแต่กรณีแต่มันไม่สามารถที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้นะแต่ถ้าอยากจะมีอาจารย์ญญคนเดียวก็อยึดพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าอย่างดีและแน่นอนที่าจะสวยของพระเจ้าได้ไเป็นเพียงแต่ว่าพสูตอาจจะเข้าใจยากว่าจะต้องหาอาจารย์ญญที่ สอนในทันตองเดียวกับที่ผู้เจ้าสวอนมาช่วยขนาดยากหนูเคยไปซื้อพัตไตรปิดกประชบับประชาชนมาเข้าใจยากพอมาเรียนกับพระอาจารย์มันง่ายมากะแต่ว่าปฏิบัติต้องใช้เวลาค่ะทุกเรื่องค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์อย่าโอเคคุณภูมิปอทันรองยังลตําำหนักอยู่นะเดี๋ยวดูกลายเป็นคนละคนแล้นียดูหลอเราขึ้นเยอะเลย ครับก็ยังลดอยู่ครับก็ที่ที่แล้วที่ผมซูมที่จังหวัดอุบล น, นะครับ<ม>ก็ได้สอบถามผูา้อาวาุโสเรื่องว่าการเข้าไปยังสังคมแล้วก็การกินอาหารโลกกับเขาอะครับผูา้อาวาุโสก็แนะนําว่าให้ผมปลีกมาเลยซึ่งตอนนี้ก็มาทบทวนดูครับก็ผมขอคิดว่าเป็นการที่ผมไม่มีสติมากพอครับผมผูม้อาจารย์ก็เราอาจจะต้อหนักแน่นมากกว่านี้ครับทีนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ พอน้ำหนักลดมาสองโลกลับมากรุงเทพก็ลงโทษตัวเองอย่างนั้นให้ออกบําลังกายตัวนี้ก็น้ําหนักกลับมาสามสิบลดมาสามสิโลเท่าเดิมนะครับาอาจารย์ครับ mm. นี้ผมก็ได้รู้สึกว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมหรือการไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบททดสอบให้กับเราได้เหมือนกันครับาอาจารย์เนื่องว่าผมไปอยู่ในกสังคมร่วมกับเขาเหมือนเราเจอคนเยอะๆมัเรามันก็เห็นแบบทิฏฐิมานะเนี้ยเราก็จะพยายามลด ตัวเราตนให้เท่าเขาหรือต่ำกว่าเขาครับท่าอาจารย์แบบอย่างบาคนเราคุยกับเขาเรื่องปัญญาเรื่องธรรมะได้แต่บางคนเขาเข้าใจธรรมะอีกแบบเนี่ยเขาก็จะตอนเราไปพูดกระแสเขาเข า, เขาก็จะอืมเราคิดต่างกันผมก็รู้สึกว่าไม่เหมือนการพูดจามันก็ต้องแบบฟังก่อนอะไรเงี้ยเราบางทีเราพูดไปเขาก็าอาจจะต่อต้านอะไรแบบเนี้ครับท่าอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเออมันก็เป็นเป็นบททดสอบได้เช่นกันครับทีนี้ ตอนที่ผมจะไปครับก็แฟนผมนะครับเขาก็เหมือนมีอาการน้อยใจว่าผมหายไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วทิ้งเขาอไปช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยแบบไม่เห็นความรู้สึกเขาหลออะไรเงี้ยครับพอเวลาผ่านไปเขาเห็นรูปผมช่วยกับหลวงพ่อลงกดเขาก็แบบปิทิตน้ําตาไหลเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกเ อ, อดีใจอ่ะเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออดีใจนะที่เขาไม่ได้ห้ามผมไปพอเขาเห็นรูปแล้วเขาก็เหมือนฟื้นพิติแท่นะครับก็ก็โอเคครับพ่ออาจารย์ ทีนี้ आ, ตอนผมฟังกําลังออกกำลังกายครับ <c oughs> ผมก็ฟังเทศของธรรมะนักปฏิปด้วยครับพระอาจารย์ <c oughs> ผมก็เลยมันความรู้สึกมันต่างกันครับพระอาจารย์ปกติแล้วสมัยก่อนผมจะฟังเพลงแล้วก็เหมือนเราเหมือนเราหลอกจิตตัวเองให้ว่าให้เราฟังสิ่งที่มันชอบเราจะได้ไม่เหนื่อยครับแต่พอผมเปลี่ยนลองลองเปลี่ยนดูครับมาฟังธรรมะนักปฏิแล้ววิ่งเดินไปด้วยมันก็ไม่เหนื่อยเลยครับมันเหมือนว่ามันมีความสุขแล้วสติเรามากขึ้นนะเราจดจ่อคําพูดแล้ว ผมก็สามารถเดินได้มากขึ้นครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันอยู่ที่สติเป็นตัวสำคัญถ้ามีสติและใจมันจะมีพลังมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยครับอาจารย์ครับทีนี้ผมสังเกตตัวเองครับเวลาผมใช้งานร่างกายอย่างไปช่วยงานคนอื่นนะครับเวลาผมเกิดเวทนาอย่างเช่นว่าเหนื่อยหรือมากๆเจอเวทนาทางกายเผมจับได้ครับอาจารย์เหมือนเหมือนว่ามันมาเองครับเหมือนลมสติผมไปจับที่ลมเลย มันเหมือนว่ามันมันแล้วผมก็จะความเหมือนจกฟุบหายไปเลย<ม>แต่ว่าถ้าผมเผลอคิดแบบเวลาเจออะไรแบบนี้ครับผมต้องพูดโทอยู่ครับมันเหมือนมันจะจิงๆอัตโนมัติอยู่แต่ว่าถ้าทางกายมันมันมาอัตโนมัติแลยครับลมไว้ผมรู้สึกปลาตะจันใจมากครับอาจารย์แบบมันมาเองครับตอนที่วันลมมันมันจับมันจับที่ลมครับแล้วความรู้สึกรับเบียดแบบฉับพันเลยครับอาจารย์แต่ว่าเรื่องการเผลอคิดเนี่ยยังยังคงใช้พุดโทรอยู่ครับอาจารย์<ม>าายยครับเรา้วก็ ครับทีนี้อในเรื่องของเวลาที่ผมหิวครับอหลังจากที่กลับมาแล้วผมก็โหวตสู้กับตัวเองมากเลยครับแล้วปกติผมจะพูดโทครับอาจารย์พูดโทพูดโทพูดโทแล้วเหมือนพักนี้มันมันมาเองครับเหมือนว่าผมไปฟังเทศท่านอาจารย์เนี่ยมาแล้วเขาบอกว่าบางทีเหมือนผมคิดว่าเอ้ยเวลาเราเดินผ่านร้านอาหารเนี่ยเอ้ยเราอยากกินมันน่ะทำไงดีเหมือนใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอย่าไปคิดตอนนี้มันสุกเลยเวลาเรากิน ม, มันมีสุกชั่วคราวใช่ไหมให้คิดตอนนี้มันทุก คือผมคดิดว่าตอนที่ผมกินไปแล้วผมเกิดอาการทุกข์เนี่ยคิดเลยแล้วมันก็รู้สึกมันก็หายไปเองแบบนี้นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ได้ไครับผมเวลาเห็นอาหารในร้านก็นึกถึงอาหารในท้องเราบ้างก็ได้เปลองเข้าไปในท้องอะโอ้ครับอาหารเล็บเวลาเจนออกมาดูที่ยังอยากจะเอาข้ับเข้าไปกินดีกว่าอ๋อโหดีเลยครับ <laughs> ทีนี้ก็จะมีเอ่อ เหมือนคนอันนี่ผมก็พยายามจะวางเฉยครับแต่ว่าผมต้องตอบคาถามเ้าครับเขาจะมองว่าการที่ผมลดอาหารอดอาหารมันเป็นอะไรที่สุดต่งเกินไปครับผมก็เลยไปหาข้อมูลครับแล้วจําได้ว่าเหมือนจะฟังของหลวงตามหมาบัวเขาบอกว่าการอดอาหารมันเป็นการช่วยเร่งความเพียรใช่ไหยครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายส่วนนี้ครับเป็นยังไงครับครับเวลาเราอดอาหารมันจะมีความทุกข์ทุกข์จากความหิวครับ ที่วิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ครับอยากความหิวของนงานปฏิบัติก็ต้องก็ต้องเจริญสติครับต้องพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบไปอ๋อครับใช่แล้ บ, บ, งบังคับไปอ๋ออย่างนี้โอเคเลยครับมมถ้าถ้าเรากินอิ่แล้วก็ขี้เกียจไม่นับพุโทโธว่าไม่ไมันไม่หิวไม่ทุกนอนดีกว่าโอ้โอใช่ใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงาาครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์เอทีนี้อผม สอบถามเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบครับปกติแล้วผมทําตามที่อาจารย์บอกครับคือจะไม่สนใจแสงหรืออะไรเลยครับอาจารย์คือวันที่ไปวัดป่านานาชาติที่ที่อุบลราชธานีครับไปนั่งอยู่ในป่าครับแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจตลอดเงียบมากครับอาการฝนตกตลอดเลยทีนี้มันอยู่ดีมันแวบขึ้นไปคือผมรู้สึกว่าล้ำดับคือลมมันหายครับแล้วก็ ร่างกายเบาเสียงเบาๆครับแล้วก็มีความสว่างแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพนะครับเหือแบบมันเบาๆเลยเย็นๆนะครับและผมก็เหมือนตกลุมปุ๊บรู้สึกรู้สึกตัวทีคือเหมือนผมเห็นอันนี้ขออนุญาตนะครับผมเห็นตัวเองแบบนั่งอยู่ข้างล่างครับแล้วมีเพื่อนที่นั่งสมาธิอยู่สองคแต่ผมแบบผมอยู่ข้างบนหลังคาครับแต่มองมาข้างล่างผมเลยอยากว่าสภาว่าแบบเนี้ยมันควรจะใส่ใจไหมคือผมเป็นแบบนี้สองครั้งครับครั้งแรกที่อยู่บนกลับมาทีา่บน ี ก, ก็เป็นไม่ต้องสนใจนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วกันครับแต่พอที่เราต้องการยิงคือใจนิ่งสมองเป็นอุเบกขาครับเยอะอยังอื่ก็ถือว่ามันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วไปพอมันดับไปผ่านไปก็ก็ไม่ต้องไปนสนใจมันครับทิ้ ครับอาจารคือตอนที่ผมเห็นแล้วก็เอ้ยผมว่าผมน่าจะเป็นอุรอะไรกิเลสอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็เลยมาพยายามเฮ้ยพอลมมาลมมารูา้สึกตัวเร่งๆตรงเนี้ยก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมครับอาจารย์เราเฉยๆเราอย่าไปตืนเต้นตกใจดีใจเสียใจกัออนไดค้ครับครับครับเพราะว่าผมพยายามไม่อยากให้หลงครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากเห็นอะไรเฉยๆเฉยๆสักแต่ว่าปล่อยวางครับไม่ดีเลย ครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมก็พยายามอยู่ในการลาสังโยชน์เหมือนเดิมครับก็มีการพิจารณาตลอดว่าตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเราติดสุขอะไรแล้วก็ราบยึดสารเสริญทีนี้ราบยึดสารเสริญสุขพรัอาจารย์สุขที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นสุขเจัดตาหูจมูกลิ้นกายอ๋อก็คือสุขเหมือนกันจอโอเคครับผมตะลยมงงว่าเฮ้การที่ผมนั่งสมาธิแล้วผมได้ความสุขเนี่ยมันเป็นผมติดสุขแบบอีก็สุขคนละแบบอันนี้สุขจากความสงบครับสุขที่ติดได้สุขว สุกนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นภยัยต่อจิตใจครับนนแล้วการจิตใจอ๋อครับอาจารย์แล้วสุกที่การช่วยคนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้าาเหมือนกนอันนี่ก็เป็นสุกที่เกิดจากการทำประโยชน์ช่วยเหลือนคนอื่นเป็นกรตตาครับ น, นั่นก็ได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอ๋อมันจะมีช่วงหนึ่งครับอาจารย์ที่ว่าผมเห็นเพื่อนร่วมงาน ท, ที่ไปช่วยกันบางคนเขาก็มีเมตตาทุกคนแล้วนะครับอาจารย์แต่ว่า บางคนเขายังไม่มีอุเบกขาครับเวลาเขาเจะ อ, อะไรแบบตอบสนองมาไม่ได้หนังใจเขาเขาก็จะรู้สึกหน่อยผมรู้แล้วว่ามันต้องมีอุเบกขาด้วยรอาจารย์ใช่เขยังไม่ได้ฝึกสมาธิไ่ได้ฝึกสติเท่าที่ควรครับเวลาผมผมก็เป็นครับแต่ว่าผมเหมือนเหมือนผมก็ให้เขาอย่างเดียวไม่คิดไม่คิดอะไรแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรผมก็เออมันเป็นทดสอบได้เรื่อยครับอาจารย์ที <Yeah. S 2> นี้สุดท้ายอาจารย์ผมขอคุยเรื่องกามาราคาครับคือผมอยากจะพูดเปิด มาด้วยความภูมิใจครับคือเรื่องการหลับนอนเนี่ยผมไม่ได้มีมาหลายปีแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะมีแฟนก็เหมือนก็ไม่ได้เสพเรื่องเรื่องการมาราธาครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ชายต้องทําผมก็ไม่ได้ทํามาเป็นสามสี่เดือนตั้งแต่ลดน้ำหนักมาครับแล้วก็เรื่องการที่เคยปรึกษาบ้าจากเรื่องอสุภะหรือการพิจารณายเนี่ยผมมาเปลี่ยนมาใช้เป็นการพิจารณาธาตุสีแดงครับอาจารย์ผมรู้สึกว่ามันง่ายมันง่ายกว่า มันจะได้ไหมครับอาจารย์เหมือนเห็นเป็นดินเหนเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็ถ้ามันมีน้ำกามาละค่าไดก็ใช้ได้อืมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมันน้ามไม่ได้ก็ลองกลับมาใช้อสุภาใหม่ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดไม่ถูขึ้มาแล้วพิจารณาเป็นก้อนมันก็ยังไม่หายไปก็จะต้องใช้อสุภาโอเคครั บ, ค, รบคือผมพิจนารณาสองแบบคือมีสตินอกตัวคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเห็นผมพยายามเดินเลี่ยงหรือไม่มองครับ หรือถ้ามันเลี่ยกไม่ได้ผมก็จะเหมือนพยายามบ อ, อกทะลุนะครับแต่ว่าเออแต่มันก็พอได้บางทีนนบางจังหวะนะครับพระอาจารย์เห็นเขาเหมือนเป็นกระดูกตอกไตไส้พุงหรือเป็นก้อนเนื้อก็พอได้แต่ว่ามันต้องมีสมาธิประมาณหนึ่งเลยเลยใช่เปนยากหน่อยต้องพยายามครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็พยายามดําเนินชีวิตไปครับแล้วก็ดูนุ่นให้ใจทุกอย่างวางนิ่งเสมอครับพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์ทำต่อไป ครับอาจารย์ครับแล้วาึุขอบพระมาณครับวัที่คุณทวิสาที่สวิตเซอร์แลนด์หายหน้าไปหลาอาทิตย์นะสวัสดีเหรอการนมัสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์โยมก็ฟังอยู่ข้างนอกครัาพระอาจารย์แต่วันนี้เข้ามาเพราะเมื่อคืนฝังเห็นพระอาจารย์มาเยี่ยมที่สวิตค่ะพระอาจารย์ ค่ก็เลยว่าถูกแต่อาจาร์ตามข้อก็เลยฝันเราคิดเองไงค่ะ<ม>ตามข้อห้องแน่เลยอยวก็เลยเข้างม้งกันวันนี้ค่ะมันเป็นลานซางฮอนของเราเองจ<ด>ิตมันคิดไปเองค่ะตรงสัยจิตคิดไปเองค่ะว่าอาจารย์แต่ก็ดีค่ะว่าอาจารย์ค่ะก็ยังว่าอุ้ยไม่เคยฝันเห็นพระอาจารย์พระอาจารย์เข้ามาที่บ้านแล้วก็สํารวจเหมือนกับว่าสํารวจเราเรียกคำว่าอาจารย์เราก็เลย อืมโอเคเราจะต้องเพียรมากขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรค่ัพระอาจารย์ค่ะยังปฏิบัติอยู่ยังวังงนนี้วันนี้ยังเป็นมันพระอยู่ใช่ไหมเป็นค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็มีบ้างค่ะพระอาจารย์ที่แพ้กิเลสค่ะพระอาจารย์ก็ <laughs> คือมีช่วงง่วงเหงาหานอนเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ยมก็พยายาม จเจริญสติมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าราบประทานมากไปนั้นรับประทานนาหานมากไปให้เป อ, อาจจะใช่ค่ะ<ช>พอาจารย์เพราะช่วงนี้อ่าใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเร่งทําน้ําหนักเพราะเพราะเพราะน้ําหนักน้อยเกินค่ะกลัวกลัวแบบเผื่อมันมีอะไรต้องต้องต้องทำผ่าตัดอะไรเงี้ยกลัวจะไม่ไม่ได้ก็เลยอาจจะใช่ค่ะพอาจารย์บารุงมากขึ้นก็เลยก็เลยห่วง <laughs> มากมากขึก้นครับครับใช่ใช่โอเคถ้าไม่มีอะไรก็เทนี้ก่อนนะไม่มีค่ะค่ะค่ะป้าจางอะไรที่คุณทยศทยัดทยัดอยู่ที่ไหนคุณทยัดค อ, อทมรหรือค่ะตอนนี้อยู่ที่ขอแก่ครับมาทํางานขอนแับนะครับแล้วมาประการครับก็มีคําถามมานะครับจากเมื่อคราวก่อนที่สอบถามเรื่อง ก, การฝึกสติในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ก็ จะมาถามเรื่องความรู้สึกที่เกิดจากการทดลองทําเรื่องต่างๆนะฮะก็ถ้าสรุปจากที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการนั่งปฏิบัติธรรมตั้งสมาธินะครับทนกับความทรมานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติก็นั่งได้นานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่งได้ทีถี่มากขึ้นเกิดความอยากความสนุกขึ้นมาเพลินนะฮะเรื่องของการทดลองศีล เป็ น, นแปเลยนะครับไม่กินอาหารช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงนอนกับพื้นไม่ดูทีวีสีนห้านั้นก็ปฏิบัติได้อยู่แล้วนะครับจนเต็กเป็นนิสัยละนะครับเรื่องของการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่อาจารย์สอนไว้ว่าให้ปึกยังไงในระหว่างใช้ชีวิตประจำวันกินข้าวเดินทำงานขึ้นไหวร่างกายอาบน้ำนะครับแล้วก็การลดโปรไฟล์ตัวให้ต่าลงที่สุดเลย นะครับจนเป็นยิ่งผมยิ่งกระจ่างครัตอนนี้สภาพของค น, อคนเล็นนกนั่นะครับนั่นเลยครับครับคราวนี้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะฮะผมรู้สึกสนุกกับมันมีความสุขสนุกนะครับเหมือนกับเด็กได้ของเล่นน่ะหรือแม่ก็สมัยที่เมื่อก่อนแม่ปฏิบัติก็แบบร้องเพลงแล้วก็มีความสุขดูหนังก็มีความสุขแต่อันนี้มันเกิดจากการความสุขที่ผมทําแบบนี้นะครับคําถามผมก็คือ ผมควรจะมีความสุขกับมันไปไหลตามความสุขอันนี้มันหรือผมควรจะเบรกเบรกมันหน่อยว่าเฮ้ยเฉยๆกับมันเถอะอย่าสุขกับมันมากไปหรือไม่ต้องหลงละเลยนะฮะแต่ก็ให้มีความสุขมีความสุขที่ได้ทําแบบนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้รู้ตามความเป็นปจริงไปไม่ต้องเบรกอาไม่ต้องเบรกแต่ก็ไม่ต้องถึงกับไหลตามมันไป <c oughs> ใช่ไหมครับให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้ ถ้ามนถ้ามันเปลี่ยนไปมันหายไปก็ไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปทุกข์ก็ไม่ตอง่อครับครับผมผมงั้นผมก็จะใช้วิธีแบบมีความสุขก็รู้ควาสุขเขาไม่ต้องแต่งเวอร์อะไรครับถ้ามันาหายไปก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรครั บ, รบต่อไปครับก็ยังมีความสุขสนุกฮะผมการเป็นว่าผมมีความสุขกับาการที่ผมลองทําสิา่งต่างๆว่ามันจริงไหมนะครับเรื่องนอนกับพื้นนอนโรงแรมนี่ก็ผมเกา ท่าปูงฝนมปลูกตอนเลยก็ก็สนุกดีแข็งๆมันเป็นการท้าทายพอเราทําได้ก็รู้สึกมีความสุขครับมันการเป็นการทําในสิ่งที่เรามันท้าทายเราใช่ครับมันมันการเป็นความรู้สึกว่าผมสนุกกับมันอ่ะอผมไม่เจออะไรใหม่ๆชีวิตอะไรใหม่ๆอย่างนี้ดีตื่นมาตื่มาปีสามเออมารู้สึกนี่จ่ะนั่งสบายพี่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งเออมันสนุกกับมันดี ก็นั่งเก็ะก็อาอยากนอนผูก็นอนแล้วก็ตื่นมาทำต่อนะครับบางทอันนี้คือเรื่องรายงั้นก็ผมก็จะอยู่กับความสุขอันนี้ไปแต่ไม่ต้องเวอร์อารมณการกับมันมากก็ให้รู้ว่าสุขก็รู้ตามสภาพอารมณ์นะถ้ามันไม่สุขก็รู้ว่าไม่สุขไม่ต้องไปควายว่ามันมาเหมือนกันถ้ามันถ้ามันหายไปก็ปล่อยมันหายไปครับมันไม่หายครับมันสุขเรื่อยโอเคก็ดี สนกสนุกนะครับคำคํท า, ท, าที่สองนะครับก็คือเรื่องของการที่เรียกว่าอะไรอะใช้ปัญญาคือผมก็ทดลองเอาแบบฝึกหัดในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละผมก็มองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นเลยนะครับที่ผมเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นรถ ล, ลั่นไฟเขียวไฟแดงขอทธงขอทานผมก็คิดอันนี้เป็นเรื่องของความคิดนะฮะผมก็คิดในหลักของไตรลักษณ์อ๋อมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป แล้วมันก็วนเวียนแบบเนี้ยอันนี้ผมเป็นการฝึกนะครับคําถามผมคือฝึกแบบนี้ถูกต้องไหมครับหรือว่าควรปล่อยให้มันเกิดโดยธรรมชาติของความคิดอันนี้ก็คือให้มันคิดแต่ให้มันคิดกับสิ่งที่มันสะเทือนใจเราอยู่นี้กว่าสิ่ง ท, งที่สิ่งที่มันไม่สะเทือนใจเราอย่าไปคิดไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอ๋อครับคิดถึง ค, คนที่เรารักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป อ๋อครับครับแต่ไอเรื่องตัวไปจะคิดบ้างก็ได้แต่ถ้ารู้ว่ามันก็อย่างนี้ทุกอย่างเกิดดบเกิดดบไปไปมามาขึ้นขึ้นลงไม่มีอะไรแน่นอนไที่ให้คิดมากที่สุดคือราบยศสารเสริมจบเนี่ยตอนนี้ให้คิดอันนั้นนั้นไม่มีปัญหาผมทำให้หมดราบราบมาได้ไล้ก็ไปได้จะรำลาบก็เสริมราบจะรำยศก็เสริมยดมีสารเสริมก็มีนินทา มีสุก็มีทุกข์อันนี้ก็เป็นพิจารณาแบบนี้ก็เป็นปัญญานกครับผมเพราะนั้นปัญญานี้ต้องนอกจากว่าจะเกิดโดยอาจจะโดยธรรมชาติเองต้องเกิดจากความคิดด้วยใช่ไหมหลังจากนันสอนคิดการคิดก็เพื่อเป็นการสอนใจอ๋อครับบใจมันไม่มันไม่มันไม่ได้คิดมันก็ไม่รู้มันมันก็คิดว่าทุกอย่างเที่มแท้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในหลักการใช้ปัญญาเนี่ยก็คิด ก็ใช้หลักของไเกิดขึ้นตั้งอยู่ดบไปก็เพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นมันมันกินตั้งอยู่ดำไปแล้วก็ไม่มีใครไปจัดการไปเปลี่ยนมันได้ไปห้ามมันได้ครับผมโอเคครับคําถามสุดท้ายนะครับอคือตอนนี้ผมเริ่มเริ่มจะมีความรู้สึกเองว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะที่ผ่านมาหรือปัจจุบนันหรืออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกรถสิ่งสัมผัส ผมมีความรู้สึกขึ้นมาเองว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยที่จะไปสนใจอะไรกับมนมีอย่างเดียวก็คือการที่ทําให้ใจสงบเห็นก็รู้ว่าเป็นยังไงสุขก็สุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็ทุกข์ดัะ้นดีที่สุดก็คือใจที่นิ่งๆใจที่สงบอันนั้นคือสาระที่แท้ใช่ถูกต้อง ต, ตัวสําคัญก็คือความสมมมมงบนี่แหละความสงบใชไหมครับ อาจารย์ใช้ใจสงบได้แล้วทุกอย่าง ก, ก็ปล่อยมันทั้ทุกอย่างมันเป็นมันฟองน้ำครับความสงบนี่ต้องรับรู้ถึงความสุข ด, ด้วยใช่ไหมครับรับรู้ถึงความทุกข์ด้วยแต่ไม่ต้องดา่ามากกับมันให้รู้ว่าเป็นเช่นนั้นความสงบก็ก็เป็นรเรื่องของใจส่วนสิ่งที่เราไปรับรู้แล้วก็รู้ไปครับครับผมโอเคครับขอประคุณครับวันนี้คําถามสุดท้ายอาจจะไม่มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆ ทำบุญกับทาทานนี่ต่างกันตรงไหนครับคือทานเป็นเหตุบุญเป็นผลนี่ไงที่เร า, าใช้ใ ช, <อ>ใช้แทนกัน<อ>ต้องทําทานทานแปลว่าการให้คตอนเราให้เราเสียสละไปแล้วก็เกามสุขขึ้นมาความสุขก็คือบุญอ๋อทานเป็นเหตุบุญเป็นผลเอ๋เ อ, อมันไม่ที่เรามันใช้แทนกันไปใช้ใช้แทนใช้แทนกันทําทานแบบทําบุญแบบ ทวามหมายเดียวกันโอ้ใช่ครับครับครับเพราะผมไปติดตาดูเปิดตำลองตำราอะไรก็ต้องบอกทำบุญใช้กับผู้ใหญ่ทำทานแช้สําหรับคนที่ต่ำกว่าเราผมก็ว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรเขาก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าโดยหลักแล้วมันผู้ตา่ำอะวิชาการจริงทานเป็นเหตุผลบุญเป็นผลมันก็ความสุขใจแต่ทีนี้เขาก็จะมาใช้กันเลขเทพไปหมดทําุญทำกับพระนทําให้กับพระต้องไดกว่าทําบุญ ใช่เขาขทานเขาเลยมาทำทานออครับเหมือนที่อาจารย์เคยแนะนําผมว่าสบู่จะทำให้เกิดสมาธิสตินะครับนัใช่ถูกต้องครับผมครับผมครับก็หมดหมดคําถามแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ต่อไปก็จะทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการละมัสูตรเป็นครับพิจารณาร่างกายเราด้วยมันก็เกิดดับเกิดดับด้วยเกิดแก่เสียตายด้วยนะอันนี ra, o, evet. okay. s <S ้ก็พิจารณาได้เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นไตรับเหมือนกัน ครับครับต้องทานด้วยเรื่องของร่างกายครับอ๋ออันนี้พี่จะน่าตลอดเวลาครับเออได้จะใช้เฉยๆหมดทุกอย่างเลยได้ทําใช้ได้ก็โอเคครับทั้งภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกใช้ทุกคนอ่ะทุกคนสิ่งที่เราลาดบุคคลที่เราลาดนั้นตเองมีการพัฒนาการเป็นธรรมดาครับพี่เฉยละเรื่อมีเฉยหมอละครับขอบคุณครับในครับด้วยนะครับในที่คุณพงพันต์ต่อ โคระการอยู่ที่ไหนลืมไปแล้วขออภยนะัยด้วยครับการนมศาสการพระอาจารย์ครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับพระอาจารย์ครับมีอะไรในคืนนี้ <c oughs> คืนนี้มีนิดหน่อยครับพระอาจารย์ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เอได้บอกพระอาจารย์ไว้ว่าจ ะ, ะพยายามเจริญสติให้ได้ให้ได้ตลอดวันจนกระทั่งอตื่นจนกระทั่งหลับนะครับ ก็พยายามทํามาในในช่วงระยะเหนึ่งสัปดาห์นี้ก็เกิดสภาวะที่มันปรากฏขึ้นอยู่สองสภาวะครับก็เลยจะมาเอาเรียนให้พระอาจารย์ทราบครับสภาวะที่หนึ่งก็คือเอจเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับทีนี้พออจังหวะที่จเจริญสติตอนช่วงช่วงจะนอนหลับนะครับก็ไม่มีอะไรก็ทําไปปกติแต่พอตอนที่จะตื่นนะครับ คือยังไม่ได้ลืมตาเตือนนะครับอาจารย์แต่ว่าพอรู้สึกตัวปั๊บจิตมันเป็นสมาธิเองเลยครับแบบนี้เป็นเป็นอยู่สามสามวันเลยครับอาจารย์ก็ดีแสดงว่าน้างมีสติมีสติมากเพรเต็่นข้นมาสติก็เริ่มทํางาน ท, ทันทีเลยครับตรง น, นี้ก็คือจุดหนึ่งที่ปรากฏครับอีกจุดหนึ่งก็คือมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าสติเนี่ยช่วยพยุง เราให้เอสามารถพิจรารณารมต่างๆได้ได้ไดหลลื่นสะดวกมากขึ้นครับไม่ไม่ติดไม่ไม่ขัด ไ, <ช> ไ, ไม่มีกิเลสมัเด้งว่าให้ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยครับ อ, อย่างเช่นบางกับอาจารย์ถ้าไม่มีสติเนี่ยคิดได้บ้างอย่างเรื่องเมือนที่เข้ามาแชร์นะครับครับใช่ครับก็อย่างเช่นสองวันมนื่อวานพอดีงานที่บ้านหนักมากเยอะมากบางทีก็เออ่มีเรื่องต้องปะทะคารมกับ ลูกค้าบ้างแต่ว่ามันเหมือนกับมีตัวคอยดึงให้เรารู้รู้ตัวอยู่เสมอครับว่าอพอแล้ ว, พ อ, ลวพอแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งกันนะครับนั่นแหละก็คือสติครั บ, รบก็เลยดับไปเลยดีครับไม่ไม่ไม่ไม่ไหลไปตามอารมณ์มีสติมันจะคอยดึงไว้ใช่ครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ อพอเวทนาตัวไหนเกิดเหมือนมันมันจะตามรู้ทันนะครับแล้วเราก็เออ่ดึงสติมาแล้วก็บอกบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรอยู่กับมันให้ได้เพราะมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปของมันอะไรแบบนี้ใช่ถูกต้องนะดีมาก อ, อันนี้ก็มีแค่นี้ครับพาอาจารย์ทำเป็นใจเราเป็นใจที่ปกติไม่วุ่นวายทอะไรทั้งหมครับครับดีครับท คุณหมอนาทวุฒิเชิญคหครับนรัติการะอาจารย์ครับเข้ามาฟังธรรมครับเข้ามาโอเคไม่เหนะ่อนะไม่มีคําถามครับอะไรอย่างนี ค, ครับนะ ม, มาช่างแบบขับไปดีขึ้นไหมดีครับไปแล้วสบายใจว่าไปแล้วก็นั่งวนั่งวนมันก็ต้องมีเวลาพักบ้างไม่ใช่ ช, ชกชกการแบบไม่มีพักมันก็ไม่ไหวใช่ครับใช่ครับ พอไปแล้วมันก็ได้หยุดเองความคิดหยุดอะไรว่า อ, อยู่ข้างนอกมันต้องคิดตลอดก<อ>็อยุดตรงนั้นก็ได้อยู่กับสติแล้วก็ทำทําสมาธิครับฮก็ได้พักเต็มที่ครับบ <Okay. S 2> ม, มาบบขับมาตบต่อครับต้องคอไปหาเวลาไปพักบ้าง่ไปชอบตลอดเวลามวยก็ยังมีเวลาพักอะไรลยนะใช่ครับแม่ใช่ครับแม่โอเคดีครับเดี๋ยวเดวเดินหน้ากไปโอเคอึงคุณสภัชต์ จาก UN เอนะแต่เสื้อ u เอนะอะไรอ๋อ u ูเอซีมหาวิทยาลัยใช่ค่ะแาค่าันะไม่เจ้าค่ะ University of Northern Colorado เจ้าค่ะแต่เขาเรียกยูเอซีเหมือนกันเจ้าค่ะจริงยูเอ็นซีโอโคลรดเจ้าค่ะ เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่ลูกถามอพระอาจารย์เกี่ยวกับที่นิสิตเขาบอกว่าเรื่องจิตแพทย์แนะนําเขาอ่ะเจ้าคะ่ะแล้วลูกกลับไปฟังเทปเห็นเขาบอกว่าเอจิตแพทย์แนะนําให้เขาอยู่กับอารมณ์แล้วก็ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเศร้าก็ให้อยู่กับความเศร้าแล้วก็ยอมรับกับความเศร้าอะเจ้าค่ะที่นิสิตเขาบอกว่าเขาเขาอ่าอยู่ไม่ได้เขาทําไม่ได้อะเจ้าค่ะเพราะเขาไม่มีชาติที่เขาไม่ได้ไม่มีอุเบก่ะ S 2> <S 2> คือต้องฝึกสติให้ได้ก่อนเจ<ห>็บปวดถ้า <ๆ S 1> ถึงขั้รับวัตถุสิ่งทุกอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันรับวัตทุขเข้าเวทนาได้รับอบรมไม่ดีได้ไม่ต้องไปแก้ไขมันมันคิดว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้ากากาแล้วที่พระอาจารย์สอนว่าไม่ต้องเอาความคิดหรือไม่ตมอผมผม้องอารมณ์เหมือนกับที่พระอาจารย์บอกเหมือนงูแบบกิดอะไรอ่า ไล่กัดหางตัวเองอใช่ไหมเจ้าคะตรงนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างคือมันคือไตไตรักอยู่ดีไม่จาเป็นที่จะต้องไปอยู่กับมันใช่ไหมเจ้าคะคือแก้ปัญหาทางโลกแก้เท่าไรมันก็ไม่มีวันจบมาแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่เราก็คือหยุดแก้ทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นอ น, นัตตาเนตะ่ยไม่ใช่สาระแขนสารอะไร อืแล้วค่ะแล้วค่ะมันเป็นของมันอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างเงี้ยนะคะอืคือไม่มีประโยชน์ที่จะที่จะไปไปตามกับอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามันก็มันก็คือมันก็เป็นของมันใช่มันทําหน้าที่ขั้นในขั้นปฏิบัติก็ต้องการจะปล่อยทุงอย่างแต่ถ้าผ่านขั้นปฏิบัติแล้วถ้ามีปัญหาก็แก้ได้แก้ไป มันคาลวกอาเมียกสร้าช่างมาซ่อมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันรั่วไปใช่ไมใช่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องสุวิสัยหาช่างมาซ่อมไม่ได้มันก็มันจะรั่วกันต้องปล่อยมันรั่วไปเอากระแป้งมารองไปอือรเจ้าค่ะไม่ไปทุกข์กับมันไม่เป็นทุกข์กับอะไรแต่ถ้าสิ่งั้ที่แก้ไขได้ก็แก้ไปอแต่ถึงตรงนั้นได้ก็คือสติต้องตั้งมั่นแล้วก็มีอุเบกขา เจ้าก็มีปัญญาว่ามันไม่ไปตามสังขารอย่างที่คนเคยพูดนะเจ้าค่ะลุงก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไปตามความคิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็มันก็ทํางานของมันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันหรือความคิดมันเกิดก่อนแลอารมณ์ก็ตามมาใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็คือมันไม่มีประโยชน์อะไรมันพยายามไปแก้ความสู้กับความคิดดีกว่าอยู่การที่ละอารมณ์มันก็หายไปอือเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ันลูกก็เข้าใจลูกก็เลยถามเพื่อนที่เขาอยู่ทางจิตจิตวิทยาเจ้าค่ะเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ที่เขาใช้กันจิตแพทย์เขาใช้กันลูกจําไม่ได้แล้วว่าชื่อว่าทฤษฎีอะไรก็คือเป็นทฤษฎีที่ให้ยอมยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับมันนะเจ้าค่ะเขาบอกเป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขาเรียนกันมาแล้วค่ ะ, คะก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อมันร่องไม่ยอมรับมัน ม, มันหนาวก็ยอมรับมันน้ําท่วมก็ยอมรับมันถ้ายอมรับมันมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยแต่ถ้วไม่ยอมรับ ไ, ไม่ต้องการมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเองแต่มันก็จะยอมยอมรับกันยอมรับยากถ้าไม่มีสติพอที่จะที่จะยที่จะห ย, ย, ยุดความยากใช่เจา้าค่ะไม่งั้นมันก็จะไหลไปตับพวกสิ่งนี้มันก็จะยิ่งจมลึกจมลึกแล้วก็ หาทางออกไม่เจอก็บกพุ่นอยู่กับตรงนั้นใช่ไหมเนะคะมันพูดง่ายจะทายากใช่เจ้าค่ะพง่ายแต่พอของคนเเขาพอจะรับได้แต่พอมันถึงเตัวเราเองนี่รับไม่ค่อยรับไม่ค่อยไหวใช่แ้สมมติว่าถ้าเกิดแฟนเกิดฟเขาจ่ายเราไปวันนี้จะเกิดแฟนเขาจ่ายเราไปวันนี้รับได้มใช่แล้วค่ะ แล้วลูกพยายามพิจารณาคิดอย่างนี้เหมือนกันก็อย่างที่ว่าอู้มันก็ยากเหมือนกันนะคะลูกก็เคยบอกสามีบอกว่าทําไมไม่ให้ทำไมไม่ยอมถ้ายอมรับเนี่ยมันก็จบเขาบอกถ้ายอมรับง่ายขนาดนั้นก็ดีนะสิเขาเคยพูดขึ้นมาด้วยค่ะลูกก็เลยบอกมันไม่ง่ายการยอมรับมันพูดง่ายแต่มันไม่ง่ายคือภาษาไทยเราก็เรียกว่าทําใจเทำใจทําใจ จะได้ก็ต่อเมื่อเมื่อสติมันใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นตายลักห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตแพทย์แนะนําก็คือใช่ก็ก็ก็ถูกแต่ว่ามันจะบอกวิธีเขาไม่บอกวิธีที่จะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเจ้าค่ะก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิมีโอเบขาแล้วก็มีปัญญาเห็นตายรักมันถึงังไปถึงจุดนั้นได้ ก็คือเจก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆที่มันไม่ที่มันไม่ฝึกกันเพราะมันยากเหมือนก็เลยไม่ฝึกกันแล้วมันจะไปเอาเอายอดเลยไงเอายอดเลยทับใจทำใจสักแต่ว่ารู้ไปได้มันก็คุ้นได้แต่เวลาทาไม่ได้ถ้าฝึกแล้วจะรู้ว่ามันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันต้องอาศัยเวลามากมากเจ้าค่ะ ตลอเวลาเลยต้องควมใจตลอดเวลาทั้งแต่นยืนหลับเลยใช่เจ้าค่ะมันมันมันยากมันยากจริงๆเจ้าค่ะมันยากจริงๆแล้วใครจะไปหวังทําตอนสุดท้ายลูกก็ยังคิดอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าสุดสุดท้ายแล้วจะมาทํามันเป็นไปไม่ได้นาะขนาดทําทุกวันยังยังแบบเดี๋ยวล้มลุกคลุกคานแล้วจะไปสุดท้ายมันจะทํามันมันไม่มีทางเจ้าค่ะไม่มีทางก็หลับตัวเองไปไงหลับตัวเองไปปัดปัด หน้าที่ที่เราทำตอนนี้ไปแล้เดี๋ยวรอจิตสุดท้ายทำทีเดียวแค่หน้าปัญญาทุกวันยังอย่างนี้แล้วจะไปรอจิตสุดท้ายมันน่าโอ้ลูกเข้าใจละที่สติโอเคใช่ทําใจทําใจยอมรับแต่จะไปถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงถ้าไม่มีสติไม่มีอุเบกขาไม่มีปัญญาไปไม่ได้คเจ้าค่ะสติเจ้าค่ะสมาธิปัญญาเจ้าค่ะ รู้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณคอาจารย์จุ๊บต้องเจอค่ะคุณจรินทร์อนวันนี้มาหลังคุณจิ๊บคุณจี๊เข้ามาก่อนใช่ไหใช่ค่ะวันนี้มาทีหลังวันนี้ยังไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็เข้ามาฝังธรรมค่ะทํางานที่บ้านเหมือนกันค่ะยังทํางานที่บ้านอยู่ค่ะพระอาจารย์เขาไม่เรียกตัวกลับเหรไม่ไงจริงๆก็เรียกแล้วค่ะเออยอมกลับไปวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะก็ รุดไว้จะได้มาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะค่ะี่แล้วรวมเป็นยังไงว่าโอเคไหมระบายดีขึ้นดีขึ้นค่ะยมก็เขาก็ยังทานยาอยู่อะค่ะแล้วก็ยังคุยกับยังคุยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆค่ะค่ะคุณแค่ะคุณชายานิดเชิญ เห็นเข้ามาแล้วหายไปมันดุดนะเห็นเรื่องลำหนานะไม่ไม่คือเข้าใหม่เจ้าค่ะเหมือนว่าหน่อยไม่ได้เปิดกล้องตอนแรกถ้าถ้าจำเจ้าค่ะไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงอ่าไม่ใชไดถ้าจะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ยินมาเลื่อนข้างแรกที่เข้ามาค้างข้างที่ที่ต้องบอกไปว่าจันไม่เปิดเปิดเสียงเปิดกล้องใช่เจ้าค่ะ คือที่จริงรู้สึกผิดเอกแล้วคือพอดีหน่อยเหมือนจะเป็นไข้หวัดแล้วทีนี้ต้องที่จริงต้องกินยาแล้วทีนี้ต้องก็เลยกินข้าวเจ้าข้าวเย็นอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ถือสิน <c oughs> ไป <c oughs> ทำไม่ได้อีกแล้วเจา้า <c oughs> ไม่ได้ก็ยอมรับสบภาพไป <c oughs> เพรายังไม่พร้อม ไม่เวลาพรุ่งนี้มีมีวันใหม่อยู่เสมนให้เราแก้ตัวได้เจ้าค่ะก็ที่จริงพยายามไ่เรื่อยๆแล้วก็ได้แค่นี้ก็แล้วกัน<ช><อ>คุณจมไม่ได้สร้างไว้ในวันเดียวหน่อยก็รู้สึกรู้สึกอืมคือตอนนี้ก็นั่งกินน้ำร้อนอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะ<ม>คือแบบแต่ถ้าถามว่าในใจทุกไหมก็ไม่ทุกนะเจ้าค่ะคือก็ คือเข้าใจร่างกายว่าทําไมเราต้องอืมรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วเจ้าค่ะแต่ที่จริงก็ไม่อยากจะพูดกลัวเจ้ากรรมนายเวนมาเยอะไม่เกี่ยวหรักเจากรรนายเวรมันไม่นำมาเกี่ยวกับเรารเก็ไหนก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทําอะไรไม่มั่งอะไรอย่างนี้ไง ค, ะคะ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาเกิดบางทีเราต้อง ต้องเพียรพยายามแค่ถือศีล น, นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ยังแบบยากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์จำไม่ได้ไม่ได้จดไว้ลืมเลยถามจะถามอะไรมไม่เป็ น, ปนไรเ จ, จ้าค่ะเป็นอาชอตั้งนต่ยังยังไม่แก่หน่อยคิดว่าใช่เจ้าค่ะเพราะว่า พ่อหน่อยก็เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันเขาบอกว่าโรคนี้มันเป็นสืบพันธุ ก, กรรมเจ้าค่ะเราฝึกสติให้มากๆแล้วจะไม่จะไม่ลืมไม่หลงลืมง่ายถ้ามีสติอ๋อเจ้าค่ะในจำได้แล้วเจ้าค่ะคือที่พระอาจารย์ถามหน่อยว่าวันนั้นที่หน่อยจะนอนหรือหน่อยจะนั่งสมาธิคือเรื่องของเรื่องพอเวลาจะทำจะนอนทำสมาธิอะค่ะ ก็ทำสมาธิด้วยเพื่อที่จะดูลมหายใจแต่ก็เผลอหลับไปทุกทีเป็นคนที่ชอบนอนก็เลยทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเจ้าค่ะก็เลยไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็คือนอนก็คือนอนถูกไหมเจ้าค่ะถ้ามันหลับก็คือเป็นงานนอนแต่ถ้าเราไม่หลับจิตสงบมันก็เป็นสมาธิได้ต้องไม่ ที่จริงไหนก็ทําแบบที่พระอาจารย์บอกว่าต้องไม่กระดุกกระเดกไม่กระพริบตาไม่กลืนน้ําลายดูที่ลมหายใจแต่ช่วงนี้เหมือนลมหายใจมันมองไม่เห็นนะเจ้าค่ะมันหายไปมันเบามากก็บองความว่างไปก็ได้มองอ ย, อยู่กับความว่างไปถ้าไม่มีอะไรให้มองไม่เห็นก็เป็นความว่างไปเจ้าค่ะ ต้องดูความว่างใช่ไหมเจ้าคะดูความว่างดูงคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดจริงๆในอยากจะบอกพระอาจารย์มากเลยนะคะที่เข้าสู่มาทุกอาทิตย์มาหาพระอาจารยมา์มาฟังธรรมะนี่คือแบบเหมือนเราหยุดความคิดได้เวลาเราจะคิดไม่ดีอย่างเงี้ยเผลอคิดไม่ดีกลับไปพุโทโธเผลอคิดไม่ดีไปพุโทโธไปพุโทโธอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ ก็ดียางไงก็ถูกต้องเร็วมากเลยจ้ะค่ะนายรู้สึกว่าต้องยังไงก็ต้องไม่วันนึงอาทิตย์หนึ่งแค่สามชั่วโมงเองต้องเข้ามาเพราะว่ามันอย่างน้อยเราก็คิดทำให้เราคิดไม่คิดไปที่อื่นคิดเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเลยจ้ะค่ะก็คอยจะฝึกพุโทโธมากกว่านี้ไม่ใช่แต่เฉพาะอาทิตย์ละสามรั้งวนะัน <laughs> ไปล้อิก็หัดฝึไปด้วยฝดทุกวา น, นเลยช่วงนี้นก็ยิ่งมากว่ายได้ยินดี <c oughs> พิจารณาวความตายจ้ะค่ะก็เห็นคือเอาจริงๆไหนมองว่าร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์มากเลยนะเจ้าค่ะเป็นภาระมากเลยเจ็บป่วยอะไรรู้สึกต้องหายใจทุกเวลามีนาทีต้องดินน้ำต้องกินข้าว ตเ ล, ลต้องอาบน้ำล้างน้าแปลงฟันก็เยอะแยะไปหมดอลยารกิจที่เกี่ยวกับร่างกายใช่เจ้าค่ะต้องคือหน่อยนิมิตเห็นร่างกายเน่าเปื่อยขนลุกเจ้าค่ะทีนี้ก็จิต ด, ด้วยความที่เราก็เลยก็เลยแบบถามถามตัวเองว่ากลัวไหม เคยแบบหนูเคยหน่อยอะ่ะเคยเห็นบ่อยไอ้ที่แบบว่าเห็นร่างกายเห็นเลือดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆตกใจนะเจ้าค่ะแต่พอมาฟังธรรมพระอาจารย์ก็คือว่าดีแล้วที่เห็นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องความจริงมันเลื่อนมันมันมีเยอะแยะในร่างกายเรามุ น, มนเวียนอยู่ตลอดเวลา มันน้ําประปาระบบแท้ปรปาอยู่ในร่างกายเราเพียงแต่ก็มันออกมาข้างนอกใะ้มันไหออกมาข้างนอกหน่ตอบใจใหญ่ใหญ่นะใช่เจ้ค่ะแต่เวลาอยู่ในร่างกายมันมีเลื่อดมากกว่าอย่างหอื่นที่ได้ท้ำไปเออแล้วแล้วที่นิมิตเห็นอย่างนี้ค่ะอะไรคือเป็นการทดสอบเจ้าค่ะไม่มีอะไรการทดสอบมันอาจจะเป็นสิ่งที่รับเคยเห็นมาก่อนมันก็เลยมันก็มันก็โผล่ไม่ไหมเรารับรู้แค่นี้ เจ้าค่ะเพรต่อังคือให้เราเห็นสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายบ้างอย่าไปเห็นแต่ส่วนที่ที่ว่าสวยงามมันจะหลงมันจะติดเจ้าค่ะก็ประมาณนี้นะเจ้าค่ะหน่อยก็จะพยายามนั่งสมาธิให้ได้แต่พอนั่งเราก็ง่วงง่วงเราก็เลยหลับเถอะหลับเถอะไม่เป็นไรก็เราทําไปได้เลยเนี่ยนะ แล้วคะ่ะเดี๋ยววันเสาร์หน่อยไปถวายพระอาจารย์ไอไปใส่บาตรพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะโอเคสาธุค่ะค่ะวัดล่นเชนวัดเล่กอธรรมครับแล้วมาประการครับหลวงพ่อวันนี้ผมจะมาถามเรื่องเอ่อสภาวะการประยุกต์ธรรมะในการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องหนึ่งครับคือในธรรมะนี่คือแบบให้เราดูว่าเรามีข้อเสียอะไรให้แล้วเรากแก้ไขมันอะไรอย่างนี้ ว่าเรามีความโกรธความเศร้าอะไรองอะไรที่เป็นกิเลสของเราแต่ทํำให้ผมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องหนึ่งไม่ถูกครับคือเมื่อเราดูข้อเสียของตัวเองมันทาให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอตัวเองไม่เก่งก็ขาดความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการทํางานการทํานู่นทนํานี่เราจะเหมือนขาดความเชื่อมั่นในการในทางโลกะครับหลวงพ่อขอวิธีจูนจิตให้มันตรงกับร่องกับรอยนะครับในส่วนเอ่ส่วนไนที่เราพรลาดเราก็ต้องเสริมมันด้วยกันเถอะนี่ คนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาเห็นว่าเราบอกค้องตรงไหนเราก็เตรียมมาให้มันเต็มโอเคครับเพราะว่ามันมีแบบมีความคิดอย่างเช่นเห็นคนแบบในสังคมเขาไม่ดูข้อเสียตัวเองพอไม่ดูข้อเสียตัวเองเขาไม่เห็นข้อเสียตัวเองแต่เวลาเขาทําอะไรเขาทาเต็มร้อยเพราะฉนนั้เขาคิดว่าฉันเลิศเลอเฟอร์เฟกฉันทําอะไรฉันทําเต็มความสามารถโดยที่เขาแบบเขาไม่เขามกังวล เราไปคิดไปเองเราไปดูว่าเขามีกังวลไม่มีกังวลเราจะไปรู้แรงไหนใจของเขาครับแล้วปรุงแต่งไปเองอ๋อแล้วเราจะไปดูว่เาเขาถ้าบอกภาไม่บอกภาพอะไรอ้โรคิดไปเ้งทั้งหมนะครับงั้นก็เราเราตัวเราอ เ, เองื่องคาที่ปรุงแต่งไว้แล้วมรู้สร็จตัวครับ ใจคนอื่นเราไปอ่านใจเขาไม่ได้หรอกเราต้องอ่านใจเราคนเดียวพอแล้วดูใจเราคนเดียวพอถ้าใครจะเก่งก็เรื่องของเขาใครจะเร็วก็เรื่องของเขาเข้าใจไหมให้มองอย่างนี้ครับก็ถ้ามองว่าเราผิดพลาดไม่ดียังไงเราก็แบบแก้ไขไปแก้ไขมันแก้มันจะ ด, ดูตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนจะได้แก้ไขได้ พอพแก้ไขได้มันก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทําิต่างๆนี้ด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกต้อสิ่งที่ทำให้เราเปความเชื่อมั่นก็คือสติปัญญาของตัวนี้ทำมันได้สร้างสติขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาครับทุกอย่างว่าไม่เที่ยงพาทุกอย่างไปเข้าในชั่วาวมันก็จะมันก็จะมีความเชื่อใหมั่นกันมันก็จะมีว่าเห็นมีอะไรจะต้องไปยินดีได้ด้วยห แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคืออุปสมานุสติกรรมฐานหลวงพ่อมีวิธีวิธีพิจารณาในกรรมฐานกองนี้ไหมครับหลวงพ่อไม่ไม่ไม่สร้าบนะอุปสมานแปลว่านึกถึงความสุขของพนิพพานเป็นอารมณ์เหรอครับหลวงพ่อก็ <c oughs> เรามีหรือเปล่านิพพ <c oughs> านเนี่ยฟังจากหลวงพ่ออย่างเดียวครับว่าหลวงพ่อบอกนิพพานสุขยังไง อ, อย่างเนี้ก็เรามันอนึกดูแสงแล้วมันทําให้เราสงบนด้หรื่า งบใจสงบอย่างหนึ่งคือเราจะไม่อยากได้ความสุขทางโลกน้อยลงเพราะมันเหมือนหลวงพ่อบอกเหมือนควันไฟอย่างเงี้ยครับ อ, อก็ใช้ได้ก็คิดคำว่าพิจารณาก็นด้อ๋อมองมุมนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็มีกัลยาณมิตรผมฝากหลวงฝากมาถามหลวงพ่อเรื่องหนึ่งว่าเวลามีอารมณ์มากระทบทําให้เราโกรธนั้นผู้รู้รู้เฉยๆแล้วใครโกรธให้ผู้คิดหรือไม่ครับอะไรนะใคร <Okay. S 2> มีเพื่อนผมมาถามว่าเวลามีอารมณ์มากระทบทำให้เราโกรดนั้นผู้รู้รู้เฉยเฉยแล้วใครโกรธใช่ผู้คิดหรือไม่ที่โกรธก็คือผู้รู้นะใ จ, ใจใผู้รู้ก็โกรธโลกโกรธลงนี่คือผู้รู้<อ>ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญากนโลกโกรธลงถ้ามีสติมีปัญญาก็ระงับความโลกโกรธลงได้ อ๋อครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือทําอย่างไรจะทําให้ความคิดเบาบางลงทําให้ไม่คิดไปตามอารมณ์ที่มากระทบเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆเราจะริญสติเช่นพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันไหมอ๋อถ้ า, าพุโทโธพุโทโธก็จะระคิดนั่นหนึ่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับหรือถ้าไม่ชอบพุโทโธจะเอาบทสวดอ e ิติปิโสก็ได้สวดไปทั้งวันก็นได้ ก็ก็ JB ขอบคุณมากครับก็ผมก็ผมตัดเรื่องกังวลใจในเรื่องทางโลกออกบางอย่างทำให้ตื่เจริญสติเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นก็เห็นเลยว่าการระจัดระบบความคิดสำคัญมากเลยครับหุงพ <Okay. Okay. S 2> ่อโอเคขอบพระคุณมากครับ<ธ>ว <Brown> <giving> <water olo> ันนี้ค่ะคุณหมอสุทัศนีทุมดานี มาสักการ์ดรอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามนะคะอ่ า, าสาธสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะขอ okay. บพระคุณค่ะโอเคโเนงจากพัทยาเชิญแบบมัสการ์ดั้พระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงอันนี้ไม่มีพาลาดนะแล้ากจะหาอะไรมาทำแทนหรือเปล่าไม่ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์มีคนจะมาให้ก็ไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์เ <c oughs> ข็ดได้นนะ เก็บมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ต mm ้ hmm. องดูแลคนในบ้านต่อไปนะคะพระอาจารย์ mm hmm. คนแก่ในบ้านด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปหาหมอเ mm hmm. อ่อก็ได้อ่านหนังสือพระอาจารย์ที่หยิบมาพอดีหยิบมาตั้งแต่วันนั้นแค่ะพระอาจารย์ที่ไปกับพระอาจารย์ทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดก็อเองก็เลยแบบพออ่านแล้ว ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะค่ะพระอาจารย์ถึง <c oughs> กับแบบอ๋ออือเราจะต้องปฏิบัติต่อไปอะคะ่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่มีอะไรที่จะต้องแบบมามานั่งกังวลอะไรมากแล้วมันเหมือนกับว่าทำให้ตัวเองรู้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องเกิดมาเพื่ออะไรที่จะไปตรงไหน ทั้งที่บาง ท, ทีเนี่ยมันมีทั้งทางโลกที่ดึงเราเอะไว้เยอะทั้งๆเราก็อยากจะไปทางทางธรรมอันเยอะก็เลยกลายเป็นว่าปกติตัวเองก็จะไลฟ์นะคะในเพจส่วนตัวอยู่แล้วที่มีเพื่อนๆ น, นะคะแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาก็เลยหยิบหนังสือเล่ม น, นี้ขึ้นมาปกติจะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยจะพูดพูดถึงเรื่องหลายๆเรื่องอะคะ่ะ ก็ก mm ็ hmm. มาอ่านของพระอาจารย์ทาความเข้าใจก็เลยบอกว่าเราไม่อยากจะผิดแม้แต่กระทั่งคำคำเดียวก็เลยขออนุญาตอ่านให้อ่าทุกุคนค่ะในเพจ ฟ, ฟังหางอาจารย์เพราะว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยก็คือเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเพียงน้อยนิดน้อยมากเพราะว่าหลายคนที่มาถาม ดูรู้เลยว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนละเอียดละเอียดมากยิ่งได้ฟังนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ที่เข้ามาในวันนี้นะคะเลยรู้ว่าโอ้โหหนทางนี้ยังอีกยาวไกลเลยพระอาจารย์อั น, นก็ไม่แน่หรอกน่แต่ น, แตน่าแต่ความสามารถคนที่มีความสามารถก็จะแค่เอื้อมคนที่ยังไม่มีความสามารถก็จะมองว่ามันสวยเอื้อมขอบพระอาจารย์ ตันดูก็เข้าใจแบบยังคิดว่ายังอยู่ในระดับอนุบาลแต่ก็ พ, พยายามก้าวต่อไปครับอาจารย์มันฝึกสติให้มากมากครับพี่ทได้ค่ะพบอตา<ม>ก็มีสิ่งที่มากระทบเยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เจอคนเยอะมากเหมือนเมื่อวานนี้มาตุบตุบตุบตุบตุบเลยครับอาจารย์แล้วก็พยายามบอกเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังเอาก็ใส่แล้วก็เอออ่ะโอเคอ่ะโอเคฟัง ก็ก็ไม่เป็นไรพยายามที được, ่จะอ่าตั ta, s <S ้งสติแต่ว hey, ่าสภาวะความโกรธหรือว่าฟุบหนึ่งเนี่ยก็คือมาแต่ก็คือดึงได้นะคะพระอาจารย์เพราะว่าพยายามดึงกลับมาให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกสติใช่เยอะใช่ไหมครับพระอาจารย์พยายามฝึกสติไปเรื่อยให้รู้ทันกับอารมณ์เพอเกิดอารมณ์ก็ต้องหยุดมันให้ได้ ค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าทำได้ทาไ ด, ได้เริ่มทำได้เยอะมากแล้วค่ะพระอาจารย์ออคอยฝึกสติไปเรื่อยๆทั้งทั้งทั้ ง, งในขณะที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ฝึกไปค่ะค่ะพระอาจารย์ครองมกรค่ะพระอาจารย์โผล่ามาเยอะมากเลย ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอาจารย์ก็ได้อะไรเยอะมากเลยค่ะอยากจะเปล่าอาจารย์ค่ะโอเคสาธุั บ, บสับว์ทุกครับอาจารย์สบัสดีคนแนาดาสำหรปาการางไงนมัสการจะฆ่าพระอาจารย์ค่ะราิการเมนูอาหารุกนี้เลย ใช่ค่ะพรุ่งนี้เป็นน้ำพริกทูน่าค่ะพอาจารย์ผักตดเอ้ผักผักลวกผักลวกค่ะค่ะคิดถึงพระอาจารย์มากๆเลยค่ะแต่ก็พยายามนั่งสมาธิกุบทุกวันนะคะพอาจารย์ค่ะก็สู้ต่อไปอยากเกียรติช่านสู้ไปไค่ะขอพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนรูปต่อนะคะ ครับถ้าเหนื่อยก็พักบ้างก็ได้อย่าพักนานเกินไปแล้วกันพอหายเหนื่อยก็เรียกกลับมาปฏิบัติต่อเปเรื่อยได้ก็ไปปลีวิเว้นะค่ะอาจารย์จะได้เก้าวหน้าการเปลนวิเว้นี้ช่วยเราไปเข้าวหน้าเป็นเหมือนเติมน้ำมันพิเศษเติมเก้าสิบห้ามันเก้าสิบเอ็มันมันเฉยช้าก็เติมเก้าสิบห้า ไม่มีคำถามเลยนะวันนี้ค่ะเอ่อเขาไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอะค่ะการที่เราจะเอาชนะภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็ต้องเจริญสติแล้วก็อ่ให้ให้เข้าถึงอุเบกขาให้มากที่สุดอะไรอย่างนี้อย่างนี้ใ ช, ใช่ไหมใช่แล้วเป็จริญทุกภาวะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะ ได้แล้เดียวกต้องเสียไปค่ะไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรนี้ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรนี้่ะเป็นที่เราเป็นอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเราเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอเคนะได้ค่ะอาจารย์ขอคุค่ะอะรที่คุณไี้คุณค่ะมีคําถามมีคําถามเชิญ มีคำถามทั้งหมด9้าคำถามจากทาง YouTube และ Facebook เจ้าคะ่ะคำถามแรกจากคุณหมูพระอาจารย์ครับการแยกตัวออกจากผู้คนสามารถทำให้เราจิตสงบได้หรือไม่ครับแล้วถ้าเราดึงตัวออกมาแล้วควรปฏิบัติแบบไหนครับขอพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางให้ด้วยครับการแยกตัวมันก็จะช่วยทาให้มันการทาใจให้สงบมันง่ายขึ้นไ เพระาะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้ความคิดกับคนนั้นคนนี้เวลาเราอยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยก็ต้องมีการพูดคุยกันทําอะไรร่วมกันแล้วก็เราใช้ความคิดพอเรแยกตัวไปอยู่คนเดียว ป, ป, ป, ป, ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เปความจําเป็นที่ต้องใช้ความคิดมันก็มาหายไปหมดแต่มันก็ยังอยากจะคิดอยู่เวลาเราไปติดเว้อยูคนเดียวเราก็ใช้สติคอยอยู่ความคิดต่ อ, อคอยพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ให้มันคิดถึง คนนั้นคนนี้เรื่นั้นเรื่องนี้ที่เราที่เราทิ้งมาแล้วที่เราเป็ดวิเว่ยออกมาแล้วไว้ให้มันเป็นไปอดีตผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปคิดมันกลับมาอนาคตยังมาไม่ถึงไม่อย่าไปคิดถึงมันเอาแค่ปัจจุบันนี้ให้อยู่ให้มันเนิ่นเฉยๆนะให้คิดอะไรถ้ามันคิดกระจายมุตโธวุตโธหยุดมันคําถามต่อไปจากพิขุพันเตสันตปจิตโต สอบถามครับเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บแก้ไขอย่างไรครับถ้าความเจ็บเกิดขึ้นเราก็จะไปยึดกับอารมณ์นั้นถึงแม้นคุณหมอจะมียามอฟีนถ้าจิตไปยึดกับอารมณ์ความเจ็บละครับความเจ็บเกิดขึ้นเราจะทรงสติปล่ความเจ็บได้ไหมครับถ้าราฝึกนะก็จะได้ถ้าฝึกดีๆถ้าสติมีกาลังมากสติให้จะปล่อยวางความเจ็บได้ คำถามที่สองจากพิขุพันเตคือสายเกิดสายดับต่างกันอย่างไรครับหรือแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละบุคคลครับออการกระดั บ, บมันมาคู่กันนอะไรมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับเช่นร่างกายมันเกิดแล้วเดียวมันก็ต้องดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปอยากให้มันไม่ดับเพราะมันจะทําทให้เราทุกข์ คำถามต่อไปจากคุณมะม่วงน้ําปลาหวานพระอาจารย์คะหนูเพิ่งเสียแฟนไปเมื่อวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาตอนนี้ทุกข์มากคะ่ะขอพระอาจารย์เมตตารมด้วยคะ่ะเอแล้วท่องพิธีกับเขาไม่มีข้อดีแนละ้วเราจะได้ไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องกังวลกับเขาอย่าไปทุกข์กับเขานี่ถ้าเราดีใจว่าเขาไปเรี่ยมันทําให้เราหมดทุกข์ก็ได้นะนะ ทุกข์เรานี่ยมันเกิดจากความอยากห้มักลับมาอยากไปอย่าให้มันกลับมาแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าการที่มีเขาน่ะทุกข์มากกว่าการไม่มีเขาลอาเปรียบเทียบดูสิอันนี้ไม่ต้องโงเขาแล้วไม่ต้องหง่วงเขาแล้วคำถามต่อไปจากพิขุพันเตค่ะเมื่อความตายใกล้เข้ามาเราควรยึดสภาวะอารมณ์ใดครับหรือแค่ใช้สติรู้ลมเฉพาะ หรือใช้จิตยึดสภาวะอารมณ์อะไรครับอ่าใช่อารมณ์สงบไปยึดอารมณ์สมงบไปให้จิตตั้งมนะครับสมบในเพียงอย่างเดียวให้ปล่อยวางทุกอย่างคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องที่พึ่งสงสัยค่ะเวลาไปทําบุญที่วัด ปกติไหว้พระประธานไม่เคยขออะไรคะ่ะแต่ครอบครัวบอกว่าทำไมไม่ขอพรจึงสงสัยว่าเวลาไหว้พระควรวางใจอย่างไรคะขอพรคือกิเลสใช่ไหมคะใช่ไหว้พระนี่ไม่ได้ไปขอพรไหว้พระ ใ, ให้เราแล้วเลิกถึงพระคุณของพระพุะะทธธรรมพระสงฆ์ากาบคานัานการเราเลิกถึงพระพุทธพระพุทธคุณากาบครั้งที่สองว้เราเลิกถึงพระธรรมคุณ ข้อที่สามก็ให้เราเลกาถึงพระสังฆคนณคำถามเพิ่มเติมจากคุณพิขุพันเตค่ะอุเบกขากับปิติควร อ, อยู่สภาวะไหนครับมั น, มนอุเบกขามันจะมาหลังสุดเวลาพ อ, นาอวนาแล้วต้นมันก็จะมีสุขมีปิติแล้วเดี๋ยวสุขปิติหาไปก็จะเหลือแต่อุเบกขาบ้าป่วยขึ้นมาแทนที่ คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินสอบถามเจ้าคะ่ะนอกจากนั่งสมาธิแล้วเสริมด้วยซ้อมตายก่อนนอนทุกคืนเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวตายหนูปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ่ะงาธที่น่กลับอะไรนะซ้อมอะไรเออนั่งสมาธิแล้วเสริมด้วยการซ้อมตายก่อนนอนทุกคืนเจ้าคะ่ะก็ดีพยายามฝึกกายไวเรี่ย เางทีว่าสักวันหนึ่งเราจะน้องตายเราจะไม่หายใจเราจะไม่หายใจก็ฝึกคิดจำลองเหตุการณ์ไปถ้เวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราจะได้เฉยวปล่อยวางได้มาเฉยได้คำถามต่อไปจากคุณพานุมาติการทำบุญยี่สิบบาทให้พระสงฆ์กับคนจนได้บุญไม่เท่ากันหรือคะ เคนให้ได้เท่ากันแต่ประโยชน์ของคนที่รับที่จะทําประโยชน์ไม่เท่ากันแล้วแต่ความสามารถของคนรับว่าเขามีความสามารถมากน้อยอย่างไรคนที่มีความสามารถมากกว่าเขาจะไปทําประโยชน์ได้มากกว่าคนที่อมีความสามารถน้อยกว่าคําถามต่อไปจากคุณชัยวัตร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดสมาธิครับก็เรามีความสงบใจเราหยุดนิ่งไม่คิดปุงแต่งมีความสุบคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยได้ยินคําสอนว่าให้อยู่อย่างมักน้อยสันโดษ แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้เงินให้ตรงตามฐานะตนหาได้มากก็ใช้ตามที่หาไม่ใช่อดจนเกินไปเลยงงขอให้พระอาจารย์ชี้แนะเจ้าค่ะก็ถ้ามีมากก็ใช้มากได้ถ้ามีน้อยก็ใช้น้อยก็ได้หรือถ้ามีมากแล้วอยากจะใช้น้อยก็ได้เหมือนกันคำว่ามางน้อยคือใช้เอเท่าที่จาเป็นมีเท่าที่อยากเป็นจะต้องมีใช้เท่าที่อยากเป็นจะต้องใช้ แ่่มมมม้จะีาาาากก็ไไไเเออปปใชนททํบุญคําถามสุดท้ายจากคุณชัดท่าเรือไม่มีตังพอที่จะหยุดทํางานแล้วไปอยู่คนเดียวเป็นปีแบบพระอาจารย์ ม, มีมีงบอยู่แค่สามเดือนถ้าหมดตังแล้วไปบวชเลยได้ไหมครับได้บวชตอนนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไปอยู่คนเดียวก็ได้ ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเล่ามาบวชหัือป่ต้องไปไปบวชวัดที่วัดีเป็นวัดปฏิบัตินะถ้าอยากจะถ้าจะบวชจริงๆนะับวชเพื่อหลุดพ้นจากความทุกขคนต้องไปบวชที่วัดปฏิบัติคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วนี่ใครอยากจะถามอีกไห ม, มีมีคุณคุณกริชบัณฑิตเปิ ด, เ ป, ดเปิดหน้าจอครับ มามาเพิ่เกณฑ์มาปิ ก, ก, การธรรมศการครับป้าท่า น, นอะไรการธรรมศการครับเอ่อมาครับก็ไม่ได้มีคําถามครับจะบอกว่าก็เพิ่งกลับมาจากอุบลเมื่อวนันอาทิตย์ครับอาจารย์ก็ไปช่วยหลวงพ่อลงกฎมากับทีอาจารย์พวกอาจารย์ภูมิแล้วก็ทีมนาถาครับหลวงพ่ออ่าป้าเนชาครัครับก็ขาไปก็โชคดีครับฝัน้ําน้ําไม่ ยังวิ่งได้ครับที่สีสะเกดก็ท่วมบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็อุบลก็ยังก็ท่วมครับแต่ว่ารถผ่านได้ครับแต่มาวันนี้ก็คือท่วมทั้งหมดเลยครับยังท่วมอุบลอุบลท่วมชัยภูมิชยภูมิอุบลแล้วก็สีสะเกดครับที่ผมเห็นข่าววันนี้ก็คือต้องเป็นรถเอ่อหกล้อล้อสูงเลยครับถึงจะผ่านได้ครับ อ่าก็ก็ <Okay. S 2> ถือว่าโชคดีที่กลับมาแล้วก็ยังปลอดภัยครับพระอาจารย์ใช่ครับขอพระแผ<ม>่นดินของพระอาจารย์แข็งแรงครับขอบค <สา S 2> ุณครับมีใครไมหมฮะว่เล่นยกมือเพืเอ่อนะว่าเล่ น, น, น, นครับมีนึครับหลวงพ่อการสวดอนุโมทนาบุญให้พรจุด ป, ประสงค์เพื่ออะไรครับหลวงพ่อจุสงเพื่อแสดงความยินดีกับคนที่ทําบุญไงให้พระให้กำลังใจ อ่ายินดีกับการทำบุญเพราะการทำบุญนี่จะทำให้คนมีความสุขมีมความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาละเนี่ยนั่นเองอ้แต่บุญก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไันหลาภาคเพ็นแต่ตอบย้ำว่าเป็นการกระทำที่ดีให้มีความมั่นใจแล้วก็บอกว่าสามารถเอาบุญที่ทำนี้แบ่งให้กับผู้รรับไปได้บางที หลวงพ่อบอกบุญคือความสุขใจอย่างเช่นวันนี้ในกรุงเทพเขาก็มีทางแบบวัดแขบก็จะขอพรกันแล้วเขาก็มีพิธีอะไรทางของฮินตะศาสนาพราหมณฮินดูแล้วเขาก็ปลื้มปิติใจว่าฉันได้ทําบุญแล้วอะไรอย่างนี้คือคือแต่สิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้ทําทานเขาแค่แบบเหมือนกับตะกร้ขอพรมันมันถือเป็นบุญเหรอครับหลวงพ่อในส่วนนั้นก็เป็นบุญบุญมันเกิดได้จากหลายร่างกระดาษในจากการกระทํา ل หลายรูปแบบ บุญที่เกิดจากการให้บุญที่เกิดจากการรักษาสี่บุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบอะไรนี่มันก็มีหลายวิธีที่ทำให้ใจมันเกิดความสุขขึ้นมาได้อ๋อไม่แบบเหมือนไปขอพรองค์เทพเทวาอะไรอย่างเงี้ก็เข็นแบบโบยดอกไม้กันอะไรอ๋อเป็นอมิตบูชาไทยก็มันก็เป็นความชุ่มของข้ามันก็เป็นความสุ่มของเราจะเรียกว่าเป็นบุญก็ได้จะเรียกว่าเป็นความสุขก็ได้อ๋อ Oh. แต่อาจจะไม่ได้เป็นความสุขทางศาสนาพุูดที่สอนให้ทําอ oh. ไม่อยู่ในมรรคแปดไม่ไม่พาไปสู่ความหลุดพ้นไม่อยู่ในบุญสิบประการ oh. อ่ระโอเคโอเคแค่เขาเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อโอเคบางคนกินแล้วก็มีความสุขแตนี่ไม่อยู่ในบุญสิบประการเขาเพื่อจ้า ไปกระทะทองแดงต่อเอมันแล้วแต่เอ้หลวงพ่อจริงอีกนิดนึงครับพี่พูดถึงหลวงมันมีกินเหล้าเขาบางคนเขาจะบอกว่ากินเหล้าแต่ไม่แต่ไม่ขาดสติก็ไม่บาปอันนี้มิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับคิดผิเลยเ<ร>ใช่ไหมไม่รหรอกกินเหล้าไม่บาปเพียงใดถ้ากินเหล้าแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาย้่งยงไม่อยู่มันก็ไปทําบาปต่อได้อ๋อก็แบบเดี๋ยวเขาหาข้ออ้างกินเหล้าไงนั่งอยู่บ้านนั่งกินเหล้าเลยใช่ไหมไม่ได้ก็นอนก็ไม่มเป็นไร ก็เพียงแต่ว่ามันก็จะติดเหล้าแล้วมันก็จะทําให้การเป็นคนขี้เมาออไงนะโอโอเคครับถ้ามันเป็นกินเหล้าแล้วควบคุมอารมณไม่ที่ก็ไม่กินเพราะกินแล้วเดี๋ยวมันไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวพยาบาลวาจาอยากคายบาจะออก ม, า, กอ า, เม า, เ า, าเนี่ยตอนเมาเหล้าอะไรโอ้แต่ยังไงผมก็ไม่กินอยู่แล้วผมก็แค่สงสัยบางคนที่เขาพูดอย่างนั้นผมก็เลยแบบเอ๊ะ <S <S มไม่รู้ คืกอการกินเหล้าลมันไม่ถือว่าเป็นอย่างไม่ยังไม่เป็นบาปแต่มันจะมา น, นําไปสู่การกระทําบาปที่ได้ง่ายง่ายขึ้นกับคนที่ไม่กินเหล้าคนไม่กินเหล้าเนี่ยจะจะทำบาปยากกว่าเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อ๋อโอเคเคลียร์แล้วครับขอบคุณครับอาบน้ำจิ้มกับไวน์ครับจิ้ม ทำนมัสการค่ะอาจารย์จะเอาลูกๆมากราบพระอาจารย์ค่ะ Hello Hello ยินดีที่ได้เห็นหลูกอ่ะภาษาเขาสบายดีันมวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนอะจ้าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอืพดภไหรือภาษาอังกฤษก็ได้ไม่มีโรงเรียนพูดเสียงไม่มีโรงเรียนครับไม่มีโรงเรียน no school today yes Here. No school today. No today. Yeah, no school. Okay. So what you do? Play? <laughs> yeah. Do homework, study? No study. Study. Study, e a h Okay. Good to see you both. Hope you are happy. Thank you. o okay. k thank you. o k a y Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. อารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆกับลูกๆพระอาจารย์โยมก็เย็นใจเย็นใจเย็นแต่แบบบางทีก็แบบวัยรุ่น uh. ต้องเข้าใจวัยรุ่นโอเคไปที่ท uh. ่นต่อไปคุณสารนกก า, uh. ารกาุกเมืองอาจารย์นการจะถามค่ะพระอาจารย์ระหว่างคนที่เขาอดทนมากๆอะค่ะแสดงว่าเขามีอุเบกขาใช่ไหมคะ ก็น่าจะมีถ้าไม่มีอุเบกขาก็ทนไม่ได้อ๋อคขา่ะคือก็คือแสดงว่าถ้าเขาทนมากๆนี่แสดงว่าเขาเป็นคนมีอุเบกขานี่เขาอดอดทนอดการเฉยๆใคยจะพูดอะไรก็เขาอดเฉยกครจะทำอะไรเขาก็เฉยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ก็อุเบกขาเงดยบทนก็คําเดียวนั่นแหละอ๋อค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ โอเคคนชาติจำมาใหม่ เ, เสียงไม่ไดังพูดนองพูดเลยไม้ของคุณมันไม่เข้าในระบบใชนะ่ไหมเปิดไม้แล้วแต่พูดแล้วไม่ได้ินเสียงอาจจะต้องกลับก็ามาใหม่ออกไปแล้วต้องกลับก็ามาใหม่ อ่ามาแล้วเสียงมาแล้วอ่ะเราพูดดูค่ะเมื่อสักครู่ออกจากซูมไปอ่ า, า, า, าได้พูด<ห><ส>นังน่งเลยเสียงค่อยไปหน่อยอ๋อค่ะเมื่อสักครู่ออกจากซูมแล้วก็เข้าสมาธิไปประมาณสามสิบนาทีได้ค่ะพระอาจารย์ดีไหมไม่ยากเลยใช่มถ้าจะทำจริงจริงแล้วคําของพระอาจารย์ก็ขึ้นมาว่าต้องต้องเกาะพูดโธไว้นะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผีจะมาแนอ เกาะไปแล้วไม่ได้ทํานานแล้วมันก็รู้สึกมีมีวูบไปว่างค่ะอันน่าจะวูบเพราะว่างว่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะมันก็ <Okay. S 1> กก ว, กวา<ช>งไกลัวยายมันเด็กก็เน็่ที่ที่นั่งตอนนี้เกือบสองยามนิดหนึ่งสองยามกว่านะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีคําถามขึ้นมาว่าไอความกลัวของเราเนี่ยค่ะมันเป็นทุกขเวทนาชนิดหนึ่งไหมใช่ความกลัวก็เป็นความทุกข์แบบนั้ ไม่ใช่ทกข์ก็ไม่ทนานะเป็นความทุกข์ทางจิตใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ไม่มีอะไรมาทําร้ายเรานี้มันก็เลยทําให้เรากลัวคือมันกลัวในสิ่งที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะคืออะไรอันนี้ก็คือ อ, อมันกลัวทั้งนั้นมันไม่ไ ม, ม, มีความกลัวไม่มีเหตุไม่มีผลนะพอมันอยู่คนเดียวมันก็เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาว่าอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำร้ายเราค่ะอย่างนี้เราจะกลัวถูกทำร้ายอ่ะ กลัวถูกทำร้ายกลัวเจ็บกลัวตายพูดง่าสรุปลงมาตรงนั้นน่ะค่ะเราจำเป็นจะต้องเอาชนะมันไหมคะหรือว่าเราชนะได้จะได้สบายจะได้หายกลัวไงที่ชนะก็เคยยอมเจ็บยอมตายแล้วอย่างมากก็แพ้เจ็บถ้ามันจะทำร้ายเรามัอนอย่างมากก็เจ็บไม่เจ็บก็ตายค่แล้วยังไงเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายอยู่ดีทั้วันหนึ่งใช่ไหมค่ะยังก็ยอมยอมไปเลยอใครจะมาทำแล้วยทำได้ทำไปเลย เราหลกได้ก็หลบนี้ได้กันนี้ไปคคให้พุโทโธใจสัตว์นั่งวิธีนั่งสมาย ท, ที่วิปวิีทียร์หนีพระนะความกลัวได้ดีที่สุดไม่ต้องหนีมันไม่มีเหล่าสิ่งที่เรากลัวนะเราจรินตนานการขึ้นมาหลอกตัวเราเองะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามคิดเฮ้โ hey, ตขนาดนี้แล้วทําไมยังกลัวในสิ่งที่แบบ มันมองไม่เห็นกลัวในสิ่งที่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่มีเราจินตนาการหรอกเราเรานอาไปเองเรอยู่คนเดียวล้วก็จินตนาการว่าจะมีสิ่งนั้นไม่สิ่งนี้มาทําเราะค่ะค่ะต่อไปนี้เ ร, <ะ>เราต้องยอมยอมยอ ม, ยอมให้มันทําอ่ามันถ้ามันมีจริงมันจะมาทำํำก็ให้มันทําำเรายอมปอลอบเราหายกลัวเลยจิตแ่งสงบเรารู้เลยว่าไม่มีอ่ะมัน เป็นสียงที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเราเองค่ะนี่คิดขึ้นมาเองมาโนขึ้นมาเองโอเค <Okay S 2> น ะ, คะนั่งด อ, อกไปนะไปนั่งทุกวันนะพยายามนั่งไปทุกวันค่ะพระอา จ, จารย์จม่มีใจจะไม่มีอะไรหรอกถ้ามีสติไม่มีอะไรมาทําให้เราจะมาทํา้ายเราได้คให้มีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะทำของพอาจารย์ขึ้นมาแล้วก่อนไมไ่แน่นนะ น่าจะปลอดภัยไปที่คุณโยโย่ต่อโยโย่ยอยู่ซานฟานเ่ยโยโยกลับักกษาพระอาจา ร, รายาร์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับพระอาจารย์อยู่ที่ไนเอ่อผมขอรบกวนถามพระอาจารย์เรื่องการปฏิบัติสมาธิครับพระอาจารย์ครับอ่อเพราะว่าเอ่อผมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจว่าความสงบมัน มันหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเพราะว่าเอ่อผมเวลาผมนั่งไปบางทีอะครับมันมันจะมีเงียบไปแป๊บหนึ่งพอมันเงียบไปแป๊บหนึ่งมันก็จะมีเสียงขึ้นมาในหูแล้วเพราะว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรครับแล้วก็มันก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกอย่างเนี้ยครับอาจารย์อ่ามันชสงอบแป๊บเดียวไงใหม่ๆมันจะสงบได้แค่วับเดียวครับงูราบลินถ้าถ้าแบบนี้ผมควรจะ จะทำยังไงต่อไปครับก็กลับมาพูดโธใหม่แล้ดูรองต่อ อ, อย่าไปสนใจกับเสียงกับความวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆครับผมได้ครับกับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มทำให ม, ม่ได้ครับแล้วบางทีมันจะมีแบบว่าสติมันจะดี แต่พักมันจะเสื่อมมันจะดีมันจะเสื่อมนีค่คือคือปกติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันแบบตอนนี้สติเรายังเป็นแบบแดกอยู่น้อง ล, ลูกคุกขาดอย่างไม่ไม่สเสถียรถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่หายได้รครับอาจารครับขอบพระคุณมากรครับอาจารย์ครับอ่าดอ่าคุณทรรมิสาใช่ค่ะ ข่าว ร, รัศการค่ะพระาอาจารย์ยมขอเรียนถามข้อสงสัยนิดนึงค่ะพระอาจารย์คือคือการที่ยมเรียนกับพระอาจารย์ก็คือเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะจิตก็คือเราให้วางอุเบกขาให้รู้ในในความสงบแล้วก็อยู่กับความสงบความว่างไม่คิดไร้รันใช่ไหมคะแล้วทีนี้บางครั้งยมเวลาเข้าไปใน youtube หรือเรียนกับไม่ใช่เรียนคือได้ฟังมาอีกอีกหลายๆ หลวงพ่อหลือพราจารย์อื่นนะคะบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วให้พอถึงระดับหนึ่งให้พิจารณาอันนี้ถูกหรือว่าเราต้องแ บ, บ่งเป็นสองพาร์ทค่คือพาร์ทหนึ่งแบบว่าสงบนิ่งแล้วพอหลังจากเราจบจบจบพาร์ทหนึ่งไปแล้วแล้วเราแบบค่อยเข้าสมาค่อยเข้าสมาธิใหม่เพื่อพิจารณาทรอันนี้หรือเปล่าคะความหมายเราได้สมาธิแล้วก็พยายามให้มันสงบให้นานที่สุดท่าทียนานได้ แล้วพอมันถอนออกจากสมาธิมาก็เริ่มคิดพอมันนั่งพลิกก็จเจริญทาปัญญาต่อได้ถ้าอยากจะทาอยู่จนทำในท่าไหนก็ได้ในท่านั่งก็ได้ท่าเดินก็ได้เวลาเจริญปัญญ า, มญญาไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในสมาธิ โอเคก็คือถ้าถ้าอย่างที่พอกพอสมว่าเราได้ยินได้ฟังมาแบบว่านั่งสมาธิไปสักพักนึงแล้วก็พิจารณาอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหยคะอาจารย์ไม่ใช่แล้ ว, วถ้าสักพักหนึ่งท่านถ้าจะแปลความหมายให้มันถูกก็คือหลังจากออกจากสมาที่มาแล้วค่อยพิจารณาทัวันเนี้แต่ถ้าพิจารณาในขณะอยู่ในสมาธินี้ไม่ถูกไม่ใช่เพราะเราทำสมาธิเพื่อให้มันจิตได้พักผ่อนได้หยุดคิดค่ะยังไงเราต้องการให้มันหยุดคิดให้หนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังกามันอีกตัวแล้วมันก็จะเริ่มคิดพอมันเริ่มคิดท่ะทีนั้นตอนน้วเราใช้มาคิดพิจารณาตามปัญญานะค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันยังไม่แต่ถ้ามันยังนิ่งเฉยๆยไม่อยากคิดอะไรอย่าไปดึงมาอย่าไปดึงมันออกมาคิดอืมค่ะพระอาจารย์ค่ะเข้าใจแล้วค่ะยงจะได้จะได้แบบบางครั้งมีการพูดคุยกับบางคนก็บอกไม่ใช่อย่างนี้เราก็เอ๊มัน มันไม่น่าจะใช่นะแบบนั้นที่แเราที่ฝึกมาท่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมคิไปทางจินตนาการอ่านมาแล้วก็พิจารณาเได้สมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาเลยอเอาว่าได้สมาธิแล้วมายถึงชำนาญทางสมาธิจิตนิ่งสงบเป็นเวลานานแล้วเวลาออกจากสมาธิมาค่อ ไ, ไปทางปัญญามไม่ใช่พอนิ่งปับป๊บก็ดึงมันออกมาทําปัญญาไม่ใช่ องนอนให้มันอิ่มตัวก่อนให้มันเหมืคนนอนหลับพอ น, นอนหลับปั๊บปลุกขึ้นมาทํางานเลยไม่ใช่ใช่ไหมค่ะต้องปล่อยก็นอนให้จกักรราษฎรเขาตื่นขึ้นมาเองแล้วเขาลุกขึ้นมาเองแล้วค่อยเอาเข้าไปทํางานต่อ ค, ค่ะพรอาจารย์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะทางงายนยงเข้าใจถูกแล้วค่ะขครั บ, รบโอเคหมนแล้วนะครับาำถามนค้ายังมีน้นองชายเพิ่มเข้ามาครับ คุณล้าก่อนมันมึงล า, ามามมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณกรพระอาจารย์มองเรื่องพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์อย่างไรครับก็อันเดียวกันนะเพียงแต่คนละคนละคนละเรื่องวิทยาศาสตร์จะมองนอกทางด้านวัตถุแต่ทางทางพพุทธศาสนาจะมองทางด้านวิ จ, จิตใจก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันคิด กิตศาสตร์กับกบวิทยาศาสตร์ทางราเขจะมองทางด้า น, านทางวัตถุต่างๆทางธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ทางธาตุนานาาสนามที่จะดูทางด้านจิตใจด้วย อ, อถามต่อไปอจากคุณคำถามสุดท้ายจากคุณก้องเจ้าคะ่ะการสนับสนุนให้คนมาสวดมนต์เราจะได้บุญหรือไม่ขอรับเออถ้าเราไม่สวดเราก็ไม่ได้ สนับสนุนก็มันก็ได้ในในในส่วนที่เราสนับสนุนแต่คนละคนละบุญคนละแบบกันบุญที่เกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการส่วนหมรดก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคนละคนละคนระแบบกันคนละบุญกันหมดแล้วนะหมดแล้วจบค่ะบุณมาลีมาก่อนใช่ไหมมาลีก่อนเนาะ กับหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูไม่มีคำถามอะไรค่ะพ่อทำไมขึ้นเข้ามาใช่ไหมคะวันนี้กลับมาดึกหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันแล้วอ๋อหนูพยายามหนูเดี๋ยวเดือนเดือนนี้วันดุดหนูหนูจะไปขึ้นเขานะคะหลวงพ่อโอเคดีสาธุเจสาธุค่ะอ่ามันสมใจเจอมันสใจอ่าครับสวัสดีท่าน พระอาจารย์ครับก็มารายงานก็การปฏิบัติก็ผิดไปทูสองครั้งมั่งครับแต่ก็พยายามที่สุดก็การาวิตกกังวลหรื อ, อ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ช่วยได้กันพุโทโธพุโทโธครับเ <c oughs> พราะว่าอย่างที่ว่าร่างกายเราก็ จริงเออเราก็เราก็พยายามว่าจะไม่คิดถึงเรื่องร่าง ก, กายแต่ก็ก็ยังคิดไม่ค่อยได้ยังยังปกไม่ค่อยได้ก็เลยใช้พุทธโธของท่านอาจารย์ช่วยมั่งแต่ก็ช่วยได้ครับแล้วก็การการกินข้าวตอนเย็นก็น้อยที่สุดไม่ใช่ว่านั่นเลยครับก็ไป บางครั้งก็ไปชี้น้นที่นี่ก็เลยจิบจิบหน่อยๆก็ไม่ถึงกับที่จะที่จะทําให้ตัวเองแบบอ่าตัวเองแบบทําให้แต่ได้ครับก็แค่นี้ครับโอเคก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆน ะ, นะครับขอบพระคุณครับโอเคดูมีใครแม่ที่ผมยกมือคุณกลางว่าอะไรครับ อ, าา อ, อ่ากาวาะไรอ่านสองข้อนี้พร้มนะทุกคนนะค่ะ ข, ขอประทานโทษค่ะการน้อมจิตพิจารณาในในส่วนของการใช้ปัญญาค่ะพระอาจารย์สิ่งที่เราควรจะใช้เนี่ยคือเราควรจะควรจะพิจารณาในส่วนของตัวเรามากกว่าจะพิจารณาสิ่งรอาค้างใ<ม>ช่ไหมทุยคนทุกคนนีต้องพิจารณาทั้งหมดะว่าเป็นใจรักทั้งหมดถ้ามันปล่อยวางทุกอย่างทั้งเราทั้ ง, งเขาแล้วก็อย่างเช่นถ้าหรอว่าเราเรานี่ยเราก็ทําไมด่ดีแล้วเราก็เอากลับมาพิจารณาว่าสิ่งที่เรา การทำเนี่ยมันไม่ดีเกิดขึ้นมาจากเพราะอะไรแล้วเอาแก้ไขก็คือการการใช้ปัญญาในการแก้ไขให้มันดีขึ้นต้องนี้จ้ะค่ะใช่ก็ถ้าทาอะไรไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปทไําอันนี้อค่ะค่ะนี่ก็คือการใช้ปัญญาทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งหมดเลยใช่เป็นปัญญาเปนมีหลายระดับเนี่ยระดับทั่วไประดับอริยบคุคคลเป็นคนละเรื่องนลย เพระนั้นถ้าเป็นระดับธรรมก็คือก็คือในเรื่องของอริยสัจสี่กันไตรลักษหลักคือเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องสังเรื่องสังโยชน์เนี่ยอย่างเงี้เป็นเรื่องของระดับอริยามรรคอริยผลอืมแต่ถ้าเรื่องทั่วไปเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญญ า, าทั่วไปนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเริ่มต้นอย่างพวกเราเราเนี้ยค่ะเราก็ควรจะเริ่มหัดในเรื่องของการพิจารณาเรื่อ ง, ตงแต่ลักษณ์ถ้าจะมาทางธรรมถูกต้องไหมเจ้าค่ะใช่พิจารณาทุกอย่างไม่เทียเป็นทุกเมยของเรา เจ้าค er ่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าคุณเจตใช่ปฏิวันิได้คำถามได้ครับอาจารย์อ่าอยากสมมติผมเคยเหมือนให้ฟังเรื่องของอ่าคนนึ่งนะครับเขาเหมือนพอไปฝึกปฏิบัติแล้วเหมือนอภิญญาของเก่าเขาเกิดขึ้นมาครับแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเออเหมือนเขาก็เห็นลักษณะมีพวกกี่วิญญาณมาขอความช่วยเหลืออย่าเงี้ยครับ เคสอย่างนี้ยครับเราควรวางใจยังไงครับอาจารย์ไม่ต้องช่วยเลยหรือว่าอย่างไงดีครับถ้ า, า, ถ, าถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่ทุกคนจะมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปอืมครับอาจารย์ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ปล่อยไปตา ม, ตา ม, มนทําเวทตามกรรมไปของก็คือช่วยได้ถ้าสมช่วยได้ก็คือช่วยตามเท่าที่ช่วยได้แล้วก็นอกนั้นก็อุเบกขาเหมือนที่พระอาจารย์บอกอาจารย์ปูมใช่ไหมครัใช่ ใช่ครั okay, บอาจารย์โอเคนะสหรับคืนนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยท่านจงน่าวสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนินพจนา์ณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด